จะเรีนนเยนพรอยมันจะเยอะเหมือนแกนอนทีแรกกลุ่มพุตส่าห์ทำลำตองไนนิมนต์หลวงพ่อแล้วเนื้อภาพไม่ออกไปสมาธินี่นะคุณคุ้นหน้าเยอะมากเลยไปเรีย <c oughs> ที่ว<ๆ>ัดหลวงพ่อได้เยอะแยะเลยพวกเรามีบุญนะพวกเราเป็นคนฉลาดมันมีบุญที่นี่สนใจธรรมะ คนไม่มีบนญคนไม่มีความฉลาดเนยะไ ม, ม่สนใจธรรมะคนในโลกมีเยอะแยะเขาไม่ได้สนใจธรรมะหรอกเห็นธรรมะเป็นเรื่องสวยๆนะแล้วสมัยก่อนภาพพน์ของคนที่เข้าวัดฝังธรรมแนละ้วพวกแก่ๆถ้าไม่แก่ก็หกหักรักสลายไม่มีใครเลี้ยงเนะี่ยเอาไปอยู่วัดอะไรไม่ดีเอาไปไว้วัดไปป่านนี้เดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนคนที่ไปวัดหลวงพ่อนะคนระดับพนะั้วต่เนี้ย มีงานวิจัยคนก้อไปวิจัยคนที่เรียนในหลกข้อนะเป็นพวกคนรุ่นยันเดือนส่วนใหญ่เป็นชัน้นกลางแล้วก็การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปส่วนใหญ่ในคนรุ่นนี้คนมีการศึกษาคนมีงานมีฐานะในสังคมสนใจธรรมะมากขึ้นฉลาดน่แต่เดิมเราคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของคนไม่มีทางไป แต่พอเราได้ศึกษาธรรมะเราได้ฟังธรรมะเรารู้ว่าธรรมะเป็นเครื่องมือพัฒนาชีชวิตของเราพัฒนาจิตใจของเราคนที่มีธรรมะเนะืจิตใจได้รับการพัฒนาจิตใจมีความสุขเราอยู่ในโลกเราก็อยู่อย่างมีความสุขคนไหนพาวนาเก่งๆแต่คนโลค ก, ก็พนไปเลยเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเองแต่ละคนแต่ละคนคนไหนได้ศึกษาคนไหนได้ฟังธรรมะชีวิตจิตใจจะเปลี่ยน คนที่เรียนกับหลวงพ่อเราเคยฟังซีดีไหมเวลาเขาส่งกันบ้านมีคนไปบอกอยู่ทุกวันทุกวันแล้่ว่าชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนไปเขาเคยมีความทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานนานก็ทุกข์สั้นลงเพราะอะไรก็มีธรรมะธรรมะนี่แหละเป็นยาพิเศษที่จะแก้ความทุกข์ในใจเราได้ดีที่สุดเลยความทุกข์ในชีวิตเรามันมีสองส่วนความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจ ทุกทางกายเนะ้เกิดมาแนละ้วต้องทุกข์แน่นอนเลยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไปหาหมอให้รักษาแต่หมอช่วยรักษาความทุกข์ในใจเราไม่ได้เราต้องจัดการกับมันเองคนไหนมีธรรมะนะก็เหมือนมียารักษาใจของตัวเองให้มันไม่ทุกข์ทำไมเราต้องมีชีวิตอย่างมีความทุกข์ล่ะบางคนก็มองไม่มีทางออกเกิดมาไม่รู้จะทิศทางของชีวิตจะยังไง มีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเขาอย่างคนอื่นไปเรื่อยๆตอนเด็กๆคนอื่นเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนบ้างตามมาเขาทํางานเราก็ทําบ้างเขามีเงินเราก็มีบ้างเขามีอะไรเราก็มีบ้างสุดท้ายเขาตายเราก็ตายบ้างในชีวิตคนเปลี่ย น, นอย่แคนั้นเองแต่คนที่มีธรรมะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคนที่มีธรรมะเนี่ยสามารถมีความสุขได้แต่เริ่มปฏิบัติถ้าปฏิบัติ ท, ทําถูกต้องเนี่ยจะมีความสุขทันทีเลยไม่ใช่ว่า ต้องทําไปแล้วหลายๆชาติถึงยังมีความสุขไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่กระจอกขนาด น, นั้นนะครับศาสนาพุทธเป็นาศาสตร์ที่จับจ้องได้ไม่ใช่เป็นนามธรรมที่จับจ้าไม่ได้เป็นาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธเจ้าบอกเราเลยว่าความทุกข์มันมาได้อย่างไยความทุกข์ในใจเราเนี่ยเกิดได้อย่างไงแล้วท่านสอนเลยว่าทํำยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ที่ดูคนในรอกนะเต็มไปด้วยความทุกข์ อย่างพอร่างกายมันเจ็บป ah, mm ่วยนะก็ทุกใจมันก็ปล่อยทุกไปด้วยร่างกายมันแก่ใจก็ปล่อยทุกเนี่ยเวลาจะตายเวลาจะอะไรเวลาจะพลัดพลาดอะไรตอนใดใจมันมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเนี่ยถ้าเราถึงเอาความทุกข์ในใจออกไปได้เหลือแต่ความทุกข์ทางกายแล้ความทุกข์จะหายไปทังเยอะเลยชีวิตที่เหลือจเป็นชีวิตที่มีความสุขลงเบานะร่างกายจะแก่เราก็มีความสุขร่างกายจะเจ็บเราก็มีความสุขร่างกายจะตายเราก็ยังมีความสุขอีก เราสามารถมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามีความสุขอยู่ได้โดยตัวเราเองคนในโลกรู้จักเฉพาะความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นและยิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขเราต้องมีหน้าที่อย่างนี้มีตำแหน่งการงานอย่างนี้มีเงินมีทองแบบนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงอย่างนี้ถึงจะมีความสุขความสุขของเราในโลกมันเป็นงอาศัยคนอื่น อาศัยคนอื่นเขาหาความสุขจริงไม่ได้หรอกถ้าเราเรียนธรรมะนะเราจะมีความสุขอยู่ในตัวของเราเองมันจะเต็มมันจะอิ่มอยู่ในตัวเองมีความสุขจริงๆศาสตรของศาสดาพุทธแน่นอนจะว่าไปแล้วก็คือศาสตร์ที่จะทําให้เราเข้าถึงความสุขที่่งใหญ่ความสุขที่เราจะพบจากการปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นนะเราัดมีศีลสมมติดมีศีล พยายามรักษาสีนะคนรักษาสีมีความสุขนะคนไม่มีสีไม่มีความสุขง่ายๆเลยอย่างเวลาถ้าเราต้องโกหกใครสักคนเราต้องจําไม่อก็ไม่คนไหนโกหกเก่งเลยจะใช้เงินความจําไปเกือบหมดเลยอันตรายไหมไปพูดกับคนนี้ไว้และจำไม่ได้ไพูดอีกทีไม่เหมือนเลยเกิดคนพูดความจริงเราไม่ต้องใช้ความจําหรือคนจะไปฆ่าเขาหรือตีเขาใช่ไหมลําบากนะ ทำไงจะฆ่าเขาได้เนี่ต้องวางแผนเหนื่อยนะฆ่าเขาแล้วจะปกปิดยังไงเหนื่ยะคนไม่มีสีก็ไม่มีความสุขคนจะไปขโมยเขาจะไปโกหกเขาไม่มีความสุขเรื่องสีนะธรรมถ้าเรารักษาสีอะไรเราก็ต้อมีความสุขสบายจะตายบาะคนคที่าเกิดสีลําบากก็คือไม่เต็มเรื่องสีพ็มีสีแล้วสบายอจะตาย ไม่มีสีก็ไม่พอนะศา ส, สนาพุทธไม่ได้แค่ความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่การถือศีลอยู่มีคือความสุขจากการสงบจิตใจจิตใจของเราว่าวุ่นตลอดเวลาหรือหรอไหมแต่เราเดียเยเ๋ยวเรื่องงดเดี๋ยวอย่างนี้ตลอดเวลาดเดี๋ยวสุขเดียเ๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆศาสนาพุทธสอนเราให้ฝึกจิตฝึกใจกใเราไม่มีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองได้แค่ใครฝึกมีสมาธิขึ้นมาได้นะก็มีความสุข แต่ลำพังตัวสีมีสมาธิเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนาพุทธในศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันเยังไม่ใช่ลักษณะที่เฉพาะมีชลักษณะเฉพาะในศาสนาพุทธแต่ก็ฝึกต่อไปอีกนะเรียนธรรมะต่อไปอีกฝึกขั้นเจริญปัญญาตรงนี้ที่อื่ไม่มีแล้วมีเฉพาะในศาสนาพุทธเจริญปัญญาคือเจริญอะไรเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ตัวเอง ให้เราคอยเรียนรู้ตัวเองไหมเราอย่าลืมตัวเองคนในโลกหลืมตัวเองท้งวันเลยรักตัวเองที่สุดไหมเรารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเลยคนแรกที่เราจะลืมคือตัวเองคนที่เราจะนึกถึงคนแรกแรกคือคนอื่นเราไปทดสอบตัวเองแล้วจริงไหมเราลืมตัวเองทั้งๆที่เรารักตัวเองเรารัาเลยมันเศร้าสศกใจนะมันเด็กจอมจั่นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่นี่นั่งกันสลับเลยแล้าลืมตัวเราเองใจเราหนีไปที่ลื่นตลอดเวลา วิธีจเจริญปัญญาไม่ยากอะไรนะให้รู้สึกตัวไว้อย่าลืมกายอย่าลืมใจให้รู้สึกตัวไปเปป่อยคําว่าปัญญาในศาสนาพุทธไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดอย่างโลกโลกคําว่าปัญญาในศาสนาพุทธคือความเข้าใจปัญญาคือตัวความเข้าใจความเข้าใจอะไรความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่เรื่องอื่นด้วยก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจถึงจะเรียกว่าปัญญาในศาสนาพุทธ ความจริงของมันเป็นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรียกว่าเห็นใจรักนั่นเองตัวใจรักนัแหละตัวปัญญาเป็นไปรักทําไมต้องมาดูกายดูใจพวกเรารืมออกไหมทําไมเราต้องคอยรู้กายรู้ใจเองเพราความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใ จ, ใจถ้าเรารู้ไม่ทัน้วความทุกข์ก็จะเข้ามาครอบงำในกายในใจของเราแต่ถึงรู้ทันแล้วความทุกข์ี่ยครอบงำนไปได้ การู้ไม่ทันความทุกข์จะครอบงำใจถ้ารู้ทันมมแล้วคนะวามทุกข์จะครอบงำใจมไม่ได้งั้นที่เราฝึกกันแคเป็นชักจายนะเราฝึกรู้ทันใจเราตัวเองบ่อยๆถ้าใครฝึกรู้ทันใจตัวเองได้มากๆนะแล้วไปความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้ดูหลวงพ่อที่แก่ป่านี้ดูมีความสุขไหมหลวงพ่อยิ้มทั้งวันเลยนะอยู่เป็นเดียวหลวงพาก็ยังยิงเลยยิ้มจะสายลมและแสงแดดได้อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะ เม่ก่อวงพ่อเขาทำงานแบบพวกเราแหละเป็นเงินเือนเดือนแต่รัราชการหรือสภาความมัน่นคงงานสีเรียมากอย่างเครียแต่หลวงพ่อไดนะ้เป็นสัญลักษณ์ของความสุขยิ้มอยู่ทั้งวันให้เขาเข็งเรานละ้วเราก็รู้สึกมีความสุขเพราะเรามีความสุขทำไมเรามีความสุขเราคใครรู้สึกตัวเราคอยรู้ตายเราคอยรู้ใจเราครดูจิตใจของเราไว้เรามีสตินะคอยรักษาใจเป็นเกียรใจของเราไปเรื่อย ใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลกเดี๋ยวก็โกรเดี๋ยวก็หล้วราไปดนะิสกิตามดูไปนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรครับปฏิบัติธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะกับรูปแบบพวกเราไปว่าภาพการปฏิบัติธรรมเอาไว้เพียงจากความเป็นจริงเราไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั่นคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเราว่าภาพไปอย่งรู้สึกไหมเวลาคิดถึงนั่งปฏิบัติจะต้องนั่ง ไม้ก็ต้องเดินย่องย่องยั่งยั่งนะการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่เปลือกให้นั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะคือการมีสติอย่าลืมตัวเองคาว่ามีสติอะไรคือความรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกคอยรู้ึกถึงกายถึงใจอย่าลืมมันอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองพูัง่ม่ๆว่าอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวเองคอยรู้ทันว่าร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก วิปัสสนากรรมฐานมีเท่านี้ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้รู้ไปเรื่อยเราก็จะเห็นความจริงของกครของใจได้เขาเข้มใสแล้วยังไม่ใช่เรื่องยากเลยาการปฏิบัติทำเนี้ยขั้นแรกเลยอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใครใครไม่รู้จักใจลอยยกมือหลวงพ่อต้องถามแบบนี้นะถ้าหลวงพ่อถามว่าใครรู้จักให้ยกมือไม่มีใครยก ไม่ว่าถามอะไรนะก็จะไม่ยกหรอกเป็นวันธยนาธรรมไทยนะมันธยมธรรมเราไม่ยกมือหรอกเาต้ง น, นิ่งๆเรียกว่าพูดไปสองใค่เที่ยนนิ่งเสียทั้ามือเราเงียบๆในพวกเราทุกคนนะสง่านุมาณฐานที่ไม่ยกมือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใจลอยทีนี้เราไม่พูดตวัตสติสติจริงๆแค่โรงข้างกว่คําว่าใจลอยนะ อยู่ๆเราจะเป็นออกให้มีสติเรามีไม่เต็มแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าตัวเองใจลอยนะฉะนั้นเราจะมีสติเมื่อไหร่รู้ว่าใจลอยเมื่อนั้นจะไม่ใจลอยไอ้เก็ไม่ใจเราลอยทั้งวันลอยทุบฟองทุบฟองไปนะเดือยวก็ลอยไปคิดเรื่องโน้อลอยไปคิดเรื่องนี้เหลวงพี่ก็ลอยกปดูเห็นคนนี้เดินมาเราก็ไปดูเขาใจเราอยู่ทิดเขาได้ยินเพลงนี้นะใจคิดจะถึงอย่างแก่แกอย่างหลวงพ่อนะ แต่ได้ย like ินเพลงโบราณโบราณนันหมายมันฟลอปนะแต่คิดถึงสมัยยังหนุ่มยังสาวยังน้อยอย่างนี้เนี่ยลงไปคิดลงฟังเสียงนะยินเสียงเป็นตัวกระตุ้นแล้วใจก็หลงไปถ้ามาฟังเพลงของเด็กสมัยใหม่ฟังไม่ออบหมรู้อะไรคล้ายๆหมากัดจำหลงๆแย้งๆอะฟังไม่ออกไม่ใจเรารู้สึกไหมตอนที่หัวรเมื่อกี้ใจลอยมันอลัมใจลอยมันลอยไปไหนบ้าง ใจลอยน้ําลอยไปดูลอยไปฟังลายไปดองกลิ่นลอยไปลิ้นรสลอยไปรู้สัมผัสทางกายลอยไปคิดเรื่องปรงแต่งทางใจไปถ้าลอยทางใจนี่ตัวร้ายลอยไปทางตาทางหูอะไรนี่เป็นเรื่องคนงใจปกติเราจะทดลองแล้วทดสอบเราจะทดสอบใจลอยทางตาทุกคนช่วยกันดูรูปจะรูปมองเห็นไหมดูครับจะรูปครับ รู้สึกไหมขณะที่เราดูพระนะใจเราไปอยู่ที่พระอรหันตแล้วเดี๋ยวพระท่านสุดเห็มไหมขณะที่เราดูอะไรนะใจเราไปวิ่งไปที่นั้นขณะที่ใจเราวิ่งไปที่พราเมื่อทีเราลืมกายลืมใจตัวเราเองในเวลาที่เราดูเวลาที่เราฟังใจเราก็ลอยไปแต่นี่เป็นปกติทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้หรอกใจลอยที่สาคัญที่สุดนะคือลอยอีกชิดลอยทางใจ เราคิดทั้งวันมีใครเป็นคนคิดน้อยไหมอีไหมสังเกตไหม้เราคิดทั้งวันคิดทั้งคืนนึกออกไหมบางคนไปส่งกันบ้านหนูงพ่อเนี้ยฉันเป็นคนคิดมากบอกแล้วมีใจไม่คิดทุกคนคิดมากคือคิดตลอดเวลาอยู่แล้วหลับไปก็คิดนะเรียกว่าฝันในใจเราคิดตลอดเวลาเราไปมักจะไปรู้เรื่องที่เราคิดแต่บางทีคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรก็มีรู้จักไหมบางทีบางีคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไร บาคิดก็รู้เรื่องที่คิดแต่ไม่ว่าคิดเรารู้เรื่องหรือคิดแล้วไม่รู้เรื่องนะในขณะที่ลงไปคิดเนะี่ยเราจะลืมกายลืมใจไปอัตโ น, นมะนะัติเลยแหน้าที่ของเรานะวิธีฝึกง่ายๆเลยนะที่จะให้เราเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวเวลาเราใจลอยไปรีบรู้ไวๆใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ไม่ใช่ฝึกห้ามไม่ให้ใจลอยนะไม่เหมือนกันไม่มีใครห้ามไม่ให้ใจลอยกนะัน ใจมันจะลอยห้ามันไม่ได้แล้วไม่ใช่ร่าดอาหารถ้าร่าดอาหารใจไม่ลอยอยู่ยังไงก็ไม่ลอยไม่มีที่จะลอยไปลอยมาใจของพวกเราเล็กๆยเี้พวกใจน้อยแต่เราน้อยๆเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาได้ถ้าภาวนาเป็มที่เป็มลุ่มยแใ่เราเต็มโลกเลยไม่มีที่ไปที่มามีแต่ความสุขเต็มอิอยู่นั่นเองใจของเราเนี่แหละมันลอยไปเรื่อยๆให้เราคอยรู้ทันเวลาใจลอยเรารู้ใจลอยเรารู้ ถ้าเมื่อไหร่ใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะเราจะเกิดภาวะอันหนึ่งซึ่งแปลกประหลาดมากเลยภาวะแห่งความตื่นภาวะแห่งความตื่นนะถ้าตื่นจิตตื่นเมื่อไหร่นะจิตจะเบาจิตจะโปร่งจิตจะนุ่มนวลจิตจะอ่อนโยนจิตจะว่องไวปราดเลียวนั้นจิตจะมีความสุขอยู่ในตัวเองเห็นไหมเรามีความสุขได้โดยอัศจรรย์มากเลยแค่รู้ทันว่าใจลอยแล้มีความสุขได้ เมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆแล้วคนไม่ค่อยเชื่อนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมีพยานเป็นหมื่นเลยลคนที่ฝึกตามหลวงพ่อแล้วสติเกิดที่มันมนะเขาพบในชีวิตเขามีความสุขถึงเราทํางานเครียดแค่ไหนนะพอเราเครียดที่นมาพวกเรารู้ทันใจที่เครียดปั๊ความเครียดก็ะเด่นหายไปนะเราสามารถที่ชี้เองมีความสุขมีชี้อย่างเบิกบานชาวพุทธไม่ใช่มีความสุขแบบซึมๆชื่อๆนะหลายคนชอบว า, าดภาพจิต ไหนคนภาวนาจิตจิตภาวนาแล้วซึมภาวนาแล้วทื่อเคยเห็นไหมเพราภาวนาแล้วเป็นอนี้ยน่าเกลียนนะหรือบางคนภาวนาแล้วน่ากลัวนี่เราไม่ไมจิตประจิตถ้าเราภาวนาเป็นภาวนาถูกนะใจเราอจะเบิกบานสงบแต่เบิกบานสงบแต่ร่าเริง ทมไยพุทธการมีคนไปเป้าพระเจ้าเขาเดินผ่านกุฏิพระอื่นๆเข้าไปไปหาพระพุทธเจ้าเขาก็สังเกตเห็นพระสงฆ์เยอะแยะเลยเพราะว่าเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าเขาก็ไปดูพระพุทเจ้าบอกหน้าอัศจรรย์พระเจ้าข้าที่สูงของพระองค์สงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ชมนะที่สูงของพระองค์เหมือนซอมบี้ไม่ใช่ไม่มีอย่างนั้นนะแต่พวกเราเวลาภาวนาชอบไปบังคับใจจนซึม เดินก็เดินไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานั่งก็นั่งไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะทําอะไรก็ผิดธรรมดาไปหมดธรรมะแท้ๆคือธรรมะธรรมดานั่นเองธรรมดาไม่ใช่ผิดธรรมดาะวิธีที่เราจะปฏิบัติธรรมนัได้อย่างใจลอยนะแล้วก็เคยดูไปธรรมดาของกายเป็นยังไงเคยรู้ไปธรรมดาของใจเป็นยังไงเครู้ไปดูกายดูใจเกาทํางานเป็นธรรมดาธรรมดาผู้ปฏิบัติส่วนมากที่พลาดเนี่ยคือไปบังคับกายบังคับใจ ไม่ออกไปมพวกที่ชับเข้าคอร์สนึกออกไหไปบังคับกายบังคับใจนะตอนนั้นเราเครียดจิต ท, ที่เครียดเป็นอกุศลนะจิตนะจิตที่เป็นมหาอกุศลจิตเนะี่ยจะมีความเบาเรียกว่าหูตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุตุตามีก ร, รมัญญาตาควรแต่งการงานคือไม่ถูกกิเลสกรับงมมีตาคุณตาคือความเคร่องเคราดเลับเหวมีอุชุกตานะซึ่งตรงในการรู้อารมณ์ แล้วจิตถ้าเราภาวนาผิดจิตเราแข็งแข็งทื่อๆซึมๆหนักๆแน่นๆอะไรทําผิดทาผิดอย่าอย่าขยันทําผิดแล้วไม่ต้องขยันแล้วลืมลืมการปฏิบัติเดิมเดิมแค่หัดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปอย่างนั่งฟางหลวงพ่อรู้สึกไหม หลวงพหันไปหานะหันไปทางนี้ทุกอย่ น, นี้ต้องไปยักหน้าหน่อยหน่อยแสดงให้เห็นว่าเห็นช่วยนะจริงไปยักไปนะอนะย่างนี้ขาสติเหรอยบรู้สึกตัวเมื่อกี้ขำรู้สึกไหมตอนขำรู้สึกไหมลืมตัวเองลืมตัวเองําได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าขำแล้วลืมตัวเองให้รู้ว่าลืมตัวเองไม่ใช่ห้ามลืมนะลืมตัวเองก็ได้แต่รู้ว่าลืมไปแล้ว ฮากรู้ทันใจของเราเรื่อยๆใจเรามีความสุขขึ้นมาก็คอยรู้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็คอยรู้ใจเราเฉยๆก็คอยรู้ใจมันมีความโลภมันอยากน้อนอยากนี่ขึ้นมาก็คอยรู้นะใจมันปวดมันหงุดหงิดมันขัดเคืองมันน้อยใจมันเสียใจนี่ตระกูลโภสักังวลใจรุ่งใจเครียดตระกูลโภสัง ส, สถานะเหล่านี้เกิดขึ้นก็ให้เรารู้ทัน แล้วโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงไปก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ทันใจเราหดหู่ก็รู้ทันใจเราเกิดความสงสัยฟังหลวงพ่อแล้วสงสัยว่าจะปฏิบัติยังรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่การปฏิบัติทําไม่ได้ยากอะไระคือการคอยรู้ทันตัวเองรู้ทันกายรู้ทันใจไปเลยมันแค่สงสัยว่าเออหลวงพ่อที่พูดเรื่องอะไรว่าฟังยากแต่ใจเราสงสัยขึ้นมานะรู้ว่าสงสัย ถ้าหารู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราไปด้วย ๆ, ๆพวกเราเป็นคนเป็นพวกปัญญชนนะส่วนใหญ่เราทํางานด้วยการชิดรู้สึกไหมวันๆหนึ่งต้องวางแผนต้องชิดต้่าอะไรมากสรรมฐานที่เหมาะกับพวกเรานะไม่ใช่การนั่งสมาธินานๆเราไม่มีเวลานั่งหรอกแล้ววันๆหนึงเราทํางานหุดตหลุดทั้งวันนะใจเราสุ้งสร้างเป็นที่แล้ว กลับว่าหวังว่าจะไปนั่งสมาธิให้สงบไม่สงบมันจะสลบแทนพานั่งแล้วก็แป๊บเดียวเรซึมไป แ, นะ แ, แล้วเนาะแล้วเราก็ฝึกกรรมฐ า, านชนีวิตใหม่นะฝึกมีสติในชีวิตประจําวันให้มากเราคอยรู้สึกคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองพูดง่ายๆนะง่ายๆเลยจำง่ายๆเยคอยรู้ความรู้สึกของเราเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนระาคอยรู้ไปบ่อยๆนี่แหละคือการปฏิบัติหลักหลวงพฝึกมาไม่ได้ยากอะไรหลวงพ่ไปหาหลวงปู่ดุลย์ เมื่อปีสองพันหารยี่สิบห้าวันที่หกกุมภาก่อนหน้านัา้นได้ตแต่เจ็ดขวบเนี่ย่านมายี่สิบสองปีล้วก็ฝึกแต่สมถะก็ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นทำแต่สมถะหายใจเราก็สงบไปไดื่ๆปนปีสองห้านะจากปีศูนย์สองมาถึงปีสองห้าทำแต่สมถะสองห้าแล้วถึงเจอหลงปุดุลหลวงปูดุลสอนหลวงข้อง่ายๆบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยาก นะประโยคแรกเลยที่ท่ทานสอนหลวงพ ก, การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วตอนนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็มาอ่านทุกวันนะจิตขอเราแต่ละวันแต่ละเวลาเหมือนหนังสือเล่มใหญ่เดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโศเดี๋ยวก็มีบทโกรธนะเดี๋ยวมีบทโลภบนหลงเดี๋ยวมีบทดีเดี๋ยวมีบทชั่วเนี่ยใจเราเนีเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ ขนเีนเปี่ยนแปลงไปได้เราค่อยอ่านไปได้มันโกรธขึ้มารู้ว่ามันโจรเราเป็นนักอ่านเราไม่ใช่นักประพันธ์ถ้านักประพันเนอะเราต้องเขียนบทเองห้ามโกรธต้องดีถาวรต้องสุขอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่านักประพันธ์ใช้ไม่ได้จริงให้เราทําตัวเป็นนักอ่านเป็นนักดูเป็นผู้สังเกตการหลวงพ่อก็มาดูใจหลวงพ่อทุกวันทุกวันนะตั้งแต่ไปหาท่านมาเนี่ยดูทุกวันเลยตื่นนอนขึ้นมาไปทํางาน ตอนนั้นเป็นข้าราชการนะหรือ น, นอนขึ้นมาแล้วมันขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันรนะใจแห้งแรงเลยตอนนึกได้ว่าวันนี้มันสุกรนะแมมันมีความสุขจริงจริงมันพฤหัส ก, ก็ดีนะรู้สึกสดชื่นมันพุธเนี่ยวันขี้เกียจที่สุดเลยมันอังคารเนี่ยเซ็งมากมวันจันนี่ก็ขี้เกียจเบื่ออะไรเงี้ยไม่อยากจะไปทํางานนี่ข้าราชการนะต้องเราทำหนี้คงเจ๊งด้วย okay. เมื่องตอนตื่นนอนขึ้นมาแล้วพอใจเราเลใกล้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงดูเลยรู้ทันอย่างที่เขาเป็นวันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นเนี่ยหัดดูอย่างเนี้ยดูความรู้สึกของเราทีแรกเราก็ดูเป็นวันๆก่อนแต่และวันเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันเราก็สดชื่นใช่ไหบางวันเราก็เซ็งๆทั้งวันเลยดูเป็นวันๆได้เราต่อไปดูเป็นเวลาวันเดียวกันนี้เลย ตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ําตอนดึกเนี่ความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางทีตอนเช้าขี้เกียจใช่ไหมตอนสายสนุกเนี่ยตอนตะวันหลงไปเลยจะกินข้าวกับเพื่อนเยตอนบ่ายชักว่องซึมเศา้าตกเย็นชักซาไม่เหมือนกันใจเราแต่ละวันนะแต่ละเวลาไม่เหมือนกันให้เราคอยตามดูความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไว้่อยการที่ตามดูความเปลี่ยนแปลงของใจเจยๆดะเราจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเลย หลวงพ่อภาวนาใน ว, วิย่างที่ว่านี่เช่นกินข้าวนะเราก็ดูใจของเราเช่นเจอกับข้าวอร่อยเราพอใจเจอของไม่อร่อยเราไม่พอใจเราจะนั่งรถไปนะวันนี้เจอแต่ไฟแดงใจเราวงุดหงิด น, นะเจอไฟเฉียวบ่อยๆเราสดชื่นวันนี้รถติดมากแนละ้วเรากลัวว่าจะไปทํางานไม่ทันกังวลเลยกลัวว่านักคนไว้แล้วไปไม่ทันใจกงังวลในความรู้สึกมันจะเกิดตลาดเวลา เราตามตูไปในชีวิตธรรมดาองเร็วนี้แหละดูง่ายๆดูไปไม่ต้องคิดคำว่าปฏิบัติทําเลยก็ได้นะการปฏิบัติธรรมที่กลมกลืนอยู่ในชีวิตจริงๆที่มันทำได้ทั้งวันส่วนการจะไปนั่งสมาธิเดินโยมกลมทํารูปแบบในวันหนึ่งจะทําได้สักเท่าไหร่เชียววันหนึ่งวันหนึ่งนะถ้าเราจเจริญสติในชีวิตประจําวันได้เขาก็เราปฏิบัติอยู่ทั้งวันนึงจะนั่งรถจะนั่งเรือจะคุยกับคนเจะเจอใคร ใจรอเราเนี่ไม่เหมือนกับคนอย่างเราเจอคนบางคนเราก็สบใจรู้สึกไหมเจอคนบางคนเราก็เกลียดที่หน้าแนละ้วยังไม่ทันพูดกันเราก็ใจเราก็เกลียดขึ้นมาเนะี่ยให้เราเคอยรู้ใจเราเรา เ, เราไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นมารู้ใจเรานะครับรู้ใจตัวเองไปบ่อยๆรู้ใจเร่อยๆหลวงพ่อฝึกยอย่างเงี้ยเจ็ดเดือนฝึกอยู่เจ็ดเดือนนะวันหนึ่งออกจากที่ทํางานตอนเย็นพายุ ม, มาลมมันรุนแดงแนละ้วมันทับตีร่มพับไปหมดเลย ตอนันไม่ได้ขับรถเก่งเราเห็น้ตัก้งอย่างชั้นผู้น้อยอยู่ออกมาจากที่ทํางานแล้วลมมันตีล้อมเราพับไปหมดอน่ะเราเกลี่ยทั้งตัวเขาเป็นเกลี่ยในใจในกังวลกังวลว่าเฮ้เราเกลียนะลยฝ น, ะนยอย่างนี้เดี๋ยวเราเองไม่สบายใจในกังวลขึ้นมาทีนี้เราเคยฝึกดูใจของเราจนชนานํานาญพอใจกังวลปั๊บนะสติมันเรารึกรู้เลยมันรู้ทันเห็นความกังวลที่ขุดขึ้นมาปั๊บก็วุ่นเปดับลงตรงนั้นเลย จิตใจมันก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาในวันนั้นเลยเห็นเลยตกวอย่างมันมาแล้วมันหายไปหมดทุกสิ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทุกสิ่งทุกสิ่งฝึกอยู่อย่างนี้ไม่นานใช้เวลาไม่นานไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์เรส่งกันบ้านท่านนะ้วพพระมันนั่งฝันส่งกันบ้านเสร็จเ อ, อจาแขกครูบาอาจารย์ที่พระตามมาแนละ้วมาชามหลวงพ่ว่าโยมทําได้ยังไงพระฝึกยี่สิบปีไม่ได้อย่างโยมก็เท่าแต่นั่งสมาธิอ่ะ แต่ความสุขอย่างเดียวใช่ไหมในขณะที่เราเจริญสติเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายตลอดเวลาจิตใจเราก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงตลอดเวลาเราใครมีสติรู้ทันไปได้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปได้ในที่สุดเราจะเห็นความจริงความจริงในใจของเราก็คือความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความฝุ่นต้านความบดมุ่มความสงสัยความอิจฉาความตังวลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชั่วคราวทั้งหมดเลย การที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างโชคราวในใจเราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเช่นความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่หลงระเริงแลเรารู้ว่าของโชคราวความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเรารู้ว่าโวคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรๆเกิดขึ้นเราก็เห็นโชคราวไปหมดใจเราก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางตอนนี้เราสามารถรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางได้ ใจที่เป็นกลางนี้แหละเราก็รู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกาในใจได้จิตใจที่เป็นกลางนี่แหละคือต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานถึงวันหนึ่งมันจะเห็นเลยตรงที่บรรลุมรรคผลเนไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกจิตมันรวมเข้าอับนาสมาที่รวมของมันเองนะเราไม่ต้องหัดเข้าชานมันก็รวมได้เองรวมเข้ามาแล้วมันตัดความตัดสิ่งความรู้อะไมันเห็นเลยทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นเลยหลังจากนั้นเราจะรู้แล้วตัวตนที่ถาวรตัวตนที่แท้จริงไม่มี ในกายนี้ก็เป็นแค่รูปธรรมเกิดสืบเนื่องกันไปในจิตใจก็เป็นนา ม, มาทำเกิดสืบเนื่องกันไปไม่มีตัวตทนที่ถาวรเพราะมันไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ต่อไปนี้กายมันทุกข์ญญญใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกหลือกายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์ฝึกมากเข้ามากเข้านาะนจนปัญญามันแก่รอจริงๆเนี่ยมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึด ถ, ถือใจได้ต่อไปนี้กายจะทุกข์ใจจะทุกข์แตมันไม่กระเทือีกต่อไปเลยนะต่อหน้านะเบื้องต้น ค่อยๆ ต, ตามดูตามดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราไปจนปัญญามันเกิดรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันอาจงจากนั้นเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนกระทั่งปัญญามันแก่รอบเราเห็นในกายนี่เป็นทุกข์ล้นล้นจิตนี้เป็นทุกข์ล้นล้นพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้นลนมันจะปล่อยวางมันจะหมดความยึดถือในกายใน ใ, น ใ, นใจ หลุดออกจากการที่ถือใจยึดถือใจนะจะเห็นปัญานิพานเต็มต่อหน้าต่อตาเราชีวิตจะมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในความนี้ไม่มีเสื่อมอีกต่อไปแล้วไอ้มากผลนผิพานไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยมากผลนผิพานไม่ใช่โลกในจินตนาการหรือโรคในอุดมคติไม่ใช่อยู่โถเกียรแต่เป็นของจริงที่มีจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจริงๆคนจริงก็จะได้เห็นของจริงคนหยาบๆใหญ่ๆนั้นขี้เกียจขี้คลางก็ไม่ได้เห็นของจริง แต่คนจะภาวนาจริงๆได้แนะ น, น, น้ก็ภาวนาถูกหลักด้วยถ้าภาวนาผิดนะก็ไม่เห็นของจริงเองเพราภาวนาผิดนัน่กนก็กบังคับใจให้นิ่งให้ซึมให้ตื้นนะของยมยิบสีจ่กลัวระวังนะฝึกซึมไหมที่ฝึกอยู่ไม่เอาเลยนะเริเ่มแรกเริ่มเริ่มมันจะม า, านบังคับตัวเองแล้วจะฝึกนะเราฝึกแั้ววันหนึ่งเราจะได้ยิก็ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่ยิงอาศัยอะไร ความสขที่เกิดจากปัญญารู้ความจริงในกายในใจนี้พวกเราไม่รู้ความจริงของกายของใจแล้วพระเจ้าบอกความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ถ้าต่ออย่างนี้นะพวกเรามีใครเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีไหมไม่มีหรอกเราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างไม่หถอกไหมพระเจ้าบอกว่าจิตเป็นทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างไม่มีเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง เรายังไม่ได้เห็นความจริงเพราะเรยังไม่มีโลกตาเห็นธรรมะเลยเราค่อยๆฝึดนะฝึกโดยจิตโดยใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหลนะทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนแนละ้วดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่เราจะไปคุยกับลูกค้าเห็นไหมลูกค้าคนที่เห็นหน้าเราก็ควรกระสานเราแล้วเรวนะววากนะ็รู้ทันนะรู้ทันความเกลียดชังเข้าไปนหายไนะคุยอยู่ข้องอ า, าขงหาอะไรหาประกันง่ายเลย ใจเราแบบหลงรงเบาแล้วใจเรามีความสุขเขาเข้าใกล้เราเนี่ยนะเขาจะไม่ตัางกากหรอกแต่ถ้าเราเครียดเครียดลูกค้ามันกลัวนะไม่รู้มันจะมาห ไ, หไหมไหนฝะึกไว้น่ะมันจะหาประกันง่ายฝึกใจของเราเนี่ยดูทันรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆต่อไปนะใจเอาเบิกบานใจเราสดใสเข้าใกล้ใครเขาก็มีความสงบไม่ใช่เข้าใกล้ใครเขาเขารู้ว่าจะมาถายประกันตกวเตั้งป้อม ลับฝึกนะอยู่ในทางโอกเราก็จะได้ประโยชน์ขึ้นในทางจิตใจเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปใช้เร่อยๆไม่ยากอะไรคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆฝึกเท่านี้เลยไหวไนะ้ยถามทุกที่ถามทุกคนว่า ไ, ไหวไหมไหวอย่าไม่ทํามาเอาไม่ก่อนเอาไ ว, าไวแ้แก่ๆ แ, แล้วค่อยทำคนแก่ทายากนะรี่ฝึก้แต่ยังหนุ่มยังสาวเห็นคนที่ไปเรียนกับหงพ่อเนี่ยฝึกแต่เด็กๆเยอะ เด็กเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบเนภาวนาเก่งเวลาเด็กๆส่งกันบ้านบางทีฝึกในไดซีดีก็มีใช่ไหมเด็กไม่แค่ส่งกันบ้านน้าฟังนะขนาดพระที่ไปเรียนอย่างหลวงา่อไปนั่งฟังเด็กส่งกันบ้านพระสั่นเลยพระโมโหสั่งเลยนะว่าโห้เสกท่านส่งกันบ้านน่าน่ากลัวจริงยังมีเด็กคนหนึ่งนะส่งกันบ้านบอกว่าเขาปวดตา เขาปวดตา ม, มากเลยวันหนึง่งแล้วก็เห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึง่งความปวดก็อยู่ส่วนหนึง่งจิตที่เป็นคนรู้ว่ามีความปวดเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันแล้วใครทุกข์ละความปวดมันอยนู่ทางหาร่างกายไม่ได้ทุกข์นะความปวดมันแอบ ม, มาอยู่ในร่างกายร่างกายไม่ได้ปวดจิตใจก็ไม่ได้ปวดจิตใจเป็นคนรู้ว่าปวดร ว, วมกันแเราไม่รู้ว่าใครทุกข์ไม่มีคนทุกข์นะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของ ฝึกไปนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพวกเราหลายคนที่ฝุดกรรมฐานมาล้มลุกคลานมาเพราะเราไม่รู้หลักเราไม่รู้หลักของการเจริญสติเราคิดแต่ว่าต้องบังคับกายบังคับใจต้องเดินทางนี้ต้องนั่งทางนี้ก็พุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างบางคนหายใจใช่ไหมพุทธเจ้าสอนง่ายๆที่สุดทั้งหลายหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ก็สอนให้รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ก็สอนให้รู้ ของเราเวลาจะหายใจเป็นนักปฏิบัติเราต้องมีชั้นเชลิมหายใจแล้วต้องรู้ลมกระทบตรงนี้ลมกระทบตรงนี้บางคนจะกระทบได้ตั้งหกฐานเจ็ดฐาหรือได้นเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆที่สุดทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดเมื่อเดินอยู่รู้ชัดเมื่อเดินอยู่หมายถึงรู้ได้สติรู้ได้ปัญญารู้ได้สติคือรู้สึกถึงร่างกายที่กําลังเดินอยู่รู้ได้ปัญญาคือรู้ว่าตัวที่เดินอยู่นั้นร่างกายเมันเดินไม่ใช่เราเดิน ปัญญามันจะเห็นไตรลักษณ์เห็นมันไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเจอหนึ่งเก้ามีกี่จังหวัดอันนี้คนรุ่นหลังมาแต่งขึ้นเองเดินแล้วกําหนดกําหนดไนไมกลายเป็นสมถะปัญหาธรรมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เนละยนั่นสอนให้รู้สึกเพรฉะนั้นการปฏิบัติมีแต่ เ, เรื่องรู้สึกรู้สึกไปเป็นจิตมีความโลภ ก, ก็รู้เหจิตมีความโกรธก็รู้จิตสงสัยก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตปวดหูก็รู้ ร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ชีวิตมีอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้รู้อย่างที่ใจมันเป็นรู้อย่างที่ใจมันเป็นเืออย่างนี้มั น, นเป็นเจตในใจนี้ใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราทํางานของมันมเอง น, นะขึ้นตรงนี้ไปแล้วเรกลับไปนี่คอยรู้สึกนะรู้สึกรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆรูปแบบของการปฏิบัตินะั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องรอง นื้อหาสาระแก่นสารของการปฏิบัติคือการมีสติมีใจที่ตั้งมันตัวนี้เป็นแก่นสารสาระถ้าไม่มีตัวนี้นะถึงจะเดินเหมือนอาจารย์ก็ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกเดินทรมานตัวเองน่หรือนั่งได้กลิ่นก็นั่งตัวเงนั่นเองนั่งตรมานตัวเองตัวสําคัญคือนั่งรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวทําอะไรก็รู้สึกตัวรู้ทันกาย ร, รู้ทันใจของเราเอางฝึก อ, อย่างนี้นะแล้วชีวิตจะมีความสุขมีที่สุดมากที่สุดหลายครอบครัวเรียนอยู่หลวงพ่อนะ กีฬาก็ไปคนเดียวกันในเรียนหนึ่งคนแล้วก็ชีวิตจใจเปลี่ยนคนในบ้านเนี่ยเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านมาเรียนที่บ้านหลวงพ่อจะมาเป็นครอบครัวเยอะเหมือนเป็นครอบครัวไม่ต้องเชื้อเลนะื่อในน้ำมันกันเนยอะมากอะในชีวิตทุกเปลี่ยนจริงๆอ่ะอไปไปเชิญไทยจะคุยต้องต้องคุยอยู่คนเดียวป้าหลงและป้า เมื่ับนั้นนอกันของพ่อครับน้องนไปส่งการบ้านของ่อนะครับแล้วกในรอบปีนี้ผ่านมาก็สอบตัวเองตามดูเป็นชีวิตประจำวันตอนนีก็เลยอยากส่งการล้วนทุกช้าเนี่ยเขาเริ่มเตือนเขาเริ่มดูเรื่องทัพแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะลงไปโลงพถามดีกว่ารู้สึกไหมเราเปลี่ยนรู้สึกจิตใจเราเปลีจิตใจเราโงโล่งเบาจิตใจเราเรื่มเรื่งตัวความทุกสั้นลงทุกข์เบาลง คือเาแยู่ทุกตั้งไม่ใช่ผเอ่อาต้องรัดกูได้แตก็เมื่อ่อนนักเก่งแล้วก็ตอนหัสมัคเสมแบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งตื่นนอนก็ได้หึือก่อนนอนก็ได้จริงๆเราตั้งแต่ตื่นกาดีกลับบ้านไปก็หมดแรบ แค่ตื่นนอนแะล้วนั่งสมาี่เป็นจงกรมสวนมนต์ไว้พระหลาบ้านตอนทุกวันทุกวันแต่กไม่ได้กีพลังครับเยว์มากก็ทำตามรูปแบบของชา้าเดนินดจงกรมแลตั้งสมาธิแต่ว่าโด ย, โด ย, โ, ดยโดยการว่าดูตามการรู้สึกการจแล้วก็พอหลงไปก็หลงอะไรสักอนี้ง วิหารทำนี่ใช้อยู่จบเลยแล้วผมใช้ในการดูการคือเมื่อเ ม, มื่อก่อนดูโดมงพยาบแล้วรู้สึกอิด อ, อัดนะครับเคยส่งการบ้านลาหลวงพ่อหมเองกันไปอตอนหลังก็เลยมาดู ก, การแล้วก็หลงไปก็รูน้นะครับก็รู้รู้สึกอิดี็เลยคิดเราเปลี่ยนไปแ้วชีวิตจิตรี่ยมคนที่บ้านเขาบอกเมืองไหมวไม่เหมือนเดิม <c oughs> อยู่คนเดียวครับอคนเดียวบางคนก็มาถามหลวงบ้านไหนนะหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> กันในสักการหลวงพ่อครับมีโอกาสได้ฟังดีๆหลวงพ่ออยู่บ่อยๆเหมือนกันหลวงพ่อครับอตัวผมเองเนี่ยเวลาคิดเนี่ยนะครับมันรู้สึกตัวเองว่าคิดติดๆๆกันตลอดเลยหลวงพ่อคิดแล้วก็หายติดไปเรื่อยๆเงี้ยไม่ไปหยุดคิดครับก็จะไฝึกให้หยุดคิดแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเวลาโทรสารหลวงพ่อโทรศสารตอนนี้เนี่ยมันสั้นลงก็จริงแต่ยังรู้สึกตัวเองมันยังยาวอยู่นะครับหลวงพ่อยาๆสิ <utan> Ask, ถ้าเรารู้รสึกว่ายาวเกินไปนะเพราะเราอยากให้สั้นไม่มาอะไรนะอย่างความสุขเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสั้นเกินไปเพราะเราอยากให้ย า, ใหยาวเป็นสัมผัสนะแต่ถ้าเรารู้อยา่างกลางโทรศัพท์มันก็ยาวพอดีกับเหตุของมันนะั อ, อ, อนไร น, น, นะครับคุณพ่อครับอยากเรียนพ่อได้ให้กับบ้านถึงแนะนําครับคุณพ่อครับให้สังเกตใจนะอย่าไปบังคับมันอย่าบังคับเอยครับทําในรูปแบบบ้าง ทำสมบูรั์เสมอนะครับผมว่าแรงมันจะน้อยแต่ครับนักวิชาการเจาหรือเป็นแฟนพันแพร่อีกคนหนึ่งค่ะแล้วก็แต่ว่าเวลาฟังเซีดีกับเวลามาอยู่ต่านไ้จิตนี้เหมือนเดิมแล้วจิตเราตื่นขึ้นมาแล้วจิตเราตื่นขึ้นมารู้สึกไม่รอบอยู่ห่างๆเห็นไหมร่างกายก็อยู่ห่างๆความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมันเริ่มห่างออกไป ใจเราก็เป็นกลางเป็นอิสระมีความสุขเป็นตัวของตัวเองได้เยอะขึ้นดีขึ้นไปหลวงพางเวลาหนูพิจารณาแบบว่าที่เห็นเป็นแบบว่าขันธ์ห้าที่แยกออกมาเป็นกองกองนี่แล้วค่ะเป็นแยกเองเนี่ยเมื่อพใจเราตั้งมั่นมีสตินะแล้วก็มีสัมมาสมาธิมีสติคือร่างกายเคื่อไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อไหวรู้สึกมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นเป็นเหมือนเป็นคนดูเฉย แล้วขันจะแยกตัวออกเป็นของของเดี๋ยวนี้เรียกว่าถึงกว่าเป็นกลางไม่เจ้าค่ะหลงพ่อยังไม่กลางจริงจริงแต่ว่าขันมันแยกตัวออกมาการที่ขันแยกตัวออกมาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเไม่ว่านามรูปปาริเฉชญาณนามประรูปรูปกระทรรมนามธรรมแยกตัวขันแยกตัวไปพอขันแต่ละขันแยกตัวออกไปแล้วขันแต่ละขันจะไม่มีตัวเราดูออกไหมดูออกที่นัเราก็จะเจริญนิพพาสนาของเราไปได้เ เห็นเลยขันและทำงานไม่ใช่เรานะเครเห็นเล้ใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธร่างกายมันมั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นบ่อยเลยครับนั่นแหละดีนะที่ภานาอ ย, ย่ใช้ได้โอ้ทีนี้ต่อไปต้องเรืองพที่ยังไม่เป็นก็หัดใใหัดเท่านั้นเรสั่งก่อนอากไใน้ำแจ่มซึมสิ <c oughs> นะำแจ่มที่สบายลายแต่ให้เป็นธรรมชาติตอนนี้มันีนะมึงที่จะทำอย่างนี้มึงที่ทาไม่ได้ ทำไม่ได้นะรู้อย่างที่มันเป็นยิ่งดิ้นจะดิ้มาเรารู้มันติดเต้นเรารู้จะได้กดมันเราก็ใช้วิธีน้ำใจให้ซึมอย่าหนีด้วยการทำตัวให้สึมซึมแล้วว่าไปหนีไม่ได้นย้ดมือไม่ได้สึมซึ้ามันมันมีแน่ไงคะหนเราก็รู้ว่าหนีเพ่งแก้ก็แก้เองไมด้มให้เรารู้ทันใจที่ไม่ชอบอะเวลาที่เราเห็นสภาวะแล้วเนี่ย ให้เรารู้ทันความผิดดีพินไร้ายที่เกิดขึ้นเค่นวามมันแน่นความแน่นเป็นสภาวะนนึงมันแน่นขึ้นมาแล้วใจเราไม่ชอบให่รู้ตรงที่ไม่ชอบไม่ใช่รู้ตรงที่แน่น<ะ>เราดูติดตัวเราไปดูตัวแน่นเมื่อไรจะหายแน่น<ะ>ยิ่งจงใจดูจิงแน่นสิค<ะ>นะเพราะตัวแน่นเป็นตัวบิดบอกระแทกใจกระทำกรรม<ะ>กรรมก็คือการที่จ้องไว้<ะ>กรรมมาจากกิเลส<ะ>อยากดีอันตเจจักร เหมือนกับว่าพอพอเรายากจะดูอยากจะดูมันก็มันก็เลยควานแน่นแล้วนั่นไม่ไม่แบบนี้แบบให้รู้ว่าอยาก<ะ>ถ้าอยากดูรู้ว่าอยากดูแน่นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูอย่างนี้นะเรียกเรื่อรู้จิตตัวเอง<ะ>ไม่ใช่ดูได้เมื่อไหร่จะหายแน่นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นโกรธขึ้นมาว่าไหร่จะหายโกรธอันนี้ไม่ใช่รู้ทุงอย่างไปแล้วใจไม่เป็นกลางใจดีขึ้นมารู้ทันใจยินร้ายขึ้นมารู้ทัน รต่ว่าถ้าวันนี้มีใจที่เล่นยกกันทางโลกกับสนมีมาด้วยเขาก็ฟังสือหูวพ่อมาบ้างคนก็เคยเ ถ, ถามว่าปิติ ย, ยังไงยราก็ตอบไม่ค่อยถูกเพราะใช่สอนด้วนเงี้ยเงี้เงียเงี้ยข่าวสามีเขาขาถามแล้วตอบีอ <c oughs> ย่าคิดเยอะให้คอยสังเกตความรู้สึกของเราบ่อย ใครดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆรู้ทันมันบ่อยๆอย่างตอนเนี้ใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมใจเราวิ่งปุ๊บไปหาหลวงพ่อแล้วให้เรารู้ทันว่วใจตอนนี้ใจแอบไ ป, ปคิดเร้ทราบไหมให้ค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราบ่อยๆอย่างตอ น, นี้ใจไม่แอบไปคิดถ้าดูไม่ออกก็ดูกายกันดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ลูกสาวแต่งพ่อลูกสาวรวยจะแย่แล้ว <laughs> เขาเคยหันั่งสมาธิไปอยู่วัดบารังแล้วเขาก็ น, นั่งสมาธิก็ใช้ได้ไหนหัวนั่งเลย <laughs> นั่งสมาธิก็ใช้ได้นะอย่าอย่านั่นให้ซึมของคนที่นั่งมานั้นมัน น, น, น, น, นั่งน้อมนิ่งนั่งน้อมให้ซึมเนี่ยนั่งไปแล้วโมหันไปเยอะไม่ดีอย่าอย่นั่งใหม่แล้วนั่งแล้วดูสึกตัว นั่งแล้วเห็นร่างกายมันนั่งนั่งแล้วเห็นร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกแยกกายแยกใจใจเรื่อยๆแล้วเราหันภาวนานะหันแยกกายแยกใจเรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นแค่คนดูดูไปดูไปใจแอบไปชิดที่อยู่รู้ทันว่าใจหลงไปชิดแล้วแยกกายนั่งรู้กาย่แย้ใจเรื่อยๆอย่านั่งให้นิ่งอย่านั่งให้ซึมซึมไป รรกรมรสกการหลวงพอ่อจะค่ะคือเคยปฏิบัติในลักษณะรูแปแบบมาค่อนข้างจะหลายปี<ม>แต่ก็รู้สึกว่ามันมันมันรู้ว่าการพอมีสมาธิแล้วก็พุ่งสร้าง<ม>ทีนี้นมีความรู้สึกว่าพอได้ได้ไปฟัง อ, อหลวงพ่อที่สวนสัติธรรมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนในลักษณะของดูจิตในชีวิตประจําวันแต่เหมือนกับที่ผ่านมาเราเรามีวิธีการแบบนั้นมาก็ ไม่ใช่เดินไปนิดหนึ่งไม่เห็นเราต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยแล้วต่อยอดจากเขาเดิมก็ได้เขาเดิมทําอะไรยุบท้ อ, องแล้วค่ะดูร่างกายมันท้องดูร่างกายยุบใจเราเป็นคนดูอย่ากําหนดทองยุบที่ฝึกแล้วพลากเก่งมากนะเพราะว่าเวลาไปดูท้องทองยุบนี้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องการที่จิตไหลไปอยู่ที่ท้องหรือเวลาเดินจกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้ามันคือการเพ่งตัวอารมณ์เอาท้องเป็นอารมณ์เอาเท้าเป็นอารมณ์ การเที่ยงอารมณ์นะมีภาษาแขกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นการทําสมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราปรับนี้เกี่ยวเองเราเห็นท้งองความยุบนะใจเราเป็นคนดูดูห่างเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ ง, จ, นนงจิตเป็นแค่คนดูคืออย่างนี้สแยกรูปแยกนามไปเรื่อยเรียกว่านามรูปปริเฉดพยานจริงๆไม่ใช่เห็นรูปพอว่าเป็นอันหนึ่งรูปยุบเป็นอันหนึ่งอันนั้นไม่ใช่นะั้นแยกรูปกับรูปมันต้องแยกรูปกับนาม หัดแกยกดูเห็นร่างกายมันของร่างกายเป็นยุบใจเราเป็นคนดูเดี๋ยวต่อไปใจมันโลคงมันกลมมันหลงใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรืๆมันก็ตั้งมีใจเป็นคนดูสบายๆดูสบายๆก็จะเห็ว่าวิธีการที่เราปฏิบัติอยู่นี้ต้องเปลี่ยนนิเดียลี่ยนที่ทางเดี๋ยวเป็นสมถะคนรุ่นก่อนเขารู้นะว่าเป็นสมถะแต่คนรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้ซะแล้วไปคิดว่าเป็นปนิพพาน คนรุ่นหลังนม่เรียนฉับช่วยก็เลยคิดว่าเป็นกำหนดไม่เรื่องเราเป็นนิพพานาอย่างการเดินจงกรมไปแล้วรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงใช่ไหมบางทีรู้สึกเหมือนอะไรมาไปนี่เรื่องของสมถะทั้งนั้นไม่ใช่นิพพานานะแต่ชั้นสอนไปก่อนให้มีกําลังใจให้ปฏิบัติไปก่อนค่อยๆไปต่อยอดนะแล้อาจารย์มาแล้วไม่ดีว่าหนูเดี๋ยจะถามต่อเนื่พราะว่านื่อจาว่า ตัวเองะต้องการที่มีความสติเยอะนะคะก็จะอาศั ย, ายรูปแบบเนาะบางทีก็เป็นสุดมป็นอสแต่ว่าหลังๆเนาะเป็นเป็นคอก็จริงนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกตายก็เป็นผมไม่ทราบว่าต้องต้องแก้ไขอะไรบางครั้งรู้สึกเหมือนเพงเล่นาแบบนี้คะทีกำหนดนั่นแหลคือเพ่งเราไปแปลสติผิดนะสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปความระลึกได้ สติระรึกได้นะถึงความมีอยู่ของใครถึงความมีอยู่ของใจ uh huh. แล้วก็สติเกิดจากทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะแม่ จิตจำสภาวะแม่เพราะเราหัดดูสภาวะบ่อยๆอ่าเช่นมันโลภก็รู้ว่มันโกรธก็รู้มันหลก็รู้หัดดูบ่อยๆอย่นี้ยต่สุดที่เกิดเพ่งตลอดจิตต่นเต้นไม่เป็นไรจิตมันตื่นเต้นเองแต่เราไม่ชอบความตื่นเป็นเราติดเพ่เลยปัญหาคือเพ่งไม่ใช่ปัญหาคือตื่นเต้นแล้วหนูต้องปรับเปล่นยังไงคะองเลปฏิบัติแล้วก็ปล่อยให้กายมันทำงานให้จิตมันทำงานถือสีห้า้ ปล่อให้กายให้แจมันทำงานแล้วมีสติตามดูมันไปคือแค่เห็นธรรมชาตินะคือแค่ัหนก็ต้องห่างรูปแบบไปแล้วก็มารู้ตัวสารกำหนดนะแล้วก็หลังๆก็กำหนดน้อยแล้วค่ะคือไม่รู้สึกตัวเียมรู้สึกไปแล้วเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทำงานการที่หลวงพ่อตอนนี้ตัวเองรู้สึกแต่เห็นแต่เวทนาในตัวเองต้วรู้สึกเบื่อตัวเวทนาเบื่ตัวเวทนานี้ ให้รู้ต่างเลยนะใจไม่ชอบเวทนาใจยินร้ายต่เอเวทนาฝึกเหมือนเด็กที่หลวงพ่อเล่าแต่เคี้ยว<ม>เขาก็มีเวทนา<ม>แล้วก็ปวดตาของเราปวดที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไร<ม>ดูไปเรื่อยความปวดก็ส่วนหนึ่งนะกร่างกายก็ส่วนหนึ่งคลนละอ ก, กันแล้วจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคลนละ ก, กันนี่พอมันปวดขึ้นมาเนะแต่เราไม่ชอบแต่เรานัเป็นกลางเราทิ้นรนโัวที่ใจเราทิ้นรนนล้วใจเรามีความทุกข์ จิตได้ร่างกายมันทุกข์นะแต่พอใจเราไม่ชอบแต่เราดิ้นนะใจเราเลยปล่อยทุกข์โดยที่ว่าทุกครั้งที่สองค่อยฝึกแล้วนะจะเหลือทุกข์อันเดียวคือทุกข์ทีท่ใจจะใจไม่ทุกข์แล้วพี่หนูปฏิบัติทุกวันมักต้องไหคะอย่านอนให้ซึมนะยังกดจิตอยู่นิดหน่อยแล้วก็ทําในรูปแบบบ้างถ้าเดินไม่ไหวก็วนั่งขยับอะไรเข้าไปกระตุกกระติกไปแล้วก็ค่อยเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่ค่อยรู้สึกร่างกายบ่อย ใจลอยละด็กผมทองเวับกรรมการจะทำหน่วยเทศบาลซีดีพ่า อ, อาจารย์ ต, อตลอดนะคะก็จะรู้สึกว่ารู้ว่าหนึ่งนะครค่ ะ, คะโยทมที่ส่งกัรบ้านเสร็จตะเกียรู้สึกไหมเวลาเราลงไปรู้จิตเรากระโจนลงไปรู้เมื่อกี้นี้จิตมันถลัมไปรู้ตอนนี้หลาเรียกว่าขาดสัมาราสมาธิจิตไม่ตั้งมั่น หลวงพ่อเปลีย่ยนแให้ฟังแค้ให้เราไปดูพุทโอนเราต้องนั่งอยู่บนอัศจรรนะ์นะนักงพุทโธวิ่งอยู่ในสนามในจิตของโยมตะกี้เนี่ยกระโดดลงไปกลางสนามพุทโธนะ่ะทำอย่างนั้นนะ่าไม่ถูกแล้วเราเห็นเลยจิตเรากระโดดลงไปเรารู้ทันเด็ขึ้นมาเองนะขึ้นมาเองไม่ใช่เริ่มสัมรวมแนะเห็นไหมจิตได้แต่ตรงนี้แหลเะเอาจะทำ แล้วก็จะรู้ว่าเราเผลออยู่เรื่ อ, อยๆค่ะขณะขับรถไปเลอีกทีเอาอีกแล้ว <c oughs> ลงไปอยู่กลางสนามบอนอีกแล้วหรือเปล่าคับตรงนี้แหละที่จิดอยู่แต่ถ้าถ้ารู้ทานตรงนี้นะนะนนนะจิตจะถอนขึ้นมาเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตใจจะตื่ตนขึ้นมาได้รู้สึกไหมจิตขณะนี้มันมันตื่นขึ้นมานี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นเดีตรงนี้ไม่ใช่คนระับตรงนี้เราคองไว้นะ อ๋อตอนนีแทรกแสงมาแล้วแล้วหลายๆครั้งท <Te> <ay> ี่สวดมนต์กลาคืนกัางคืนนะคะแล้วก็จะนั่งนิ่งๆแต่จะเห็นว่าใจเราเนี่ยไปไปคิดเรื่องอือยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเดินกลับมาใหม่ว่าอ่ะนั่งนิ่งๆใหม่อีกรอบอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ไปดูนี้ตลอดนะคะการที่เราสวดมนต์แล้วเราเห็นใจมันวิ่งไปทันทดีแล้วเ่าไปไม่เอานะ สวดไปเลยฮะฮะร่างซ้งมาใจมีแวบบแตบบ่รู้ทันไม่ดึงรู้เฉยๆอย่าดึถ้าดึงเราจะแน่นซ้ำพุดโตพระทวาห น, นีไปแล้วรู้ทันอีกอไปสวดนะล้วก็ดูทันรู้ทันแต่ที่ไหลแวบบแวบบแวบบไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไปนะแต่ไปแล้วรู้ไวไปไปฝึก อ, อย่างเนี้ยเราสติจะเกิดแล้วก็รู้ว่าทุกเราลดลงใช่ไหมแน่นอนละ่ะถ้ารู้ทันใจที่ไหลใจทุกทางใจจะลดลง ก็ทุกทางใจเกิดตอนเหลอเท่านั้นถ้าไม่เหลอไว้ทุกหรอกนี่แหละเหลือคนที่นั่งคนที่สามลกลังเหลออยู่ไปยักหน้ากกับหลวงพ่อแต่เหลือมีอคิดแต่ไปคิดไดนะ้รู้ทั น, นดททได้ดีไคิดไปปลูกไทยแดงเลยเพ้งเลยไอย้เพ่งเหมือนปล่อยมืออธิษฐานค่ะก็ดีก็รู้จิตเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะค่ะ แล้วก็มีวันก็คือกำลังนั่ขับรถอยู่แล้วอยู่ปุ๊บก็เห็นจิตที่มันปลา ท, ที่จิตที่จิตมันกระดิกนั้นก็เกิดความเบิกบานในจิตที่มาทำไมเบิกบานมันไม่ได้เบิกบานเพราะกระดิกแต่มันเบิกบานเพรู้ทางการกระดิกของมันนั้นแหละสติที่แท้เกิดขึ้นมาแล้วจิตจะเป็นกุศลฉับลังจิตที่เป็นกุศลมีสมนัตเวทนานะมีความสุข ข, ขึ้นมามีความสุขเองที่หลวงพ่อบอกเองง่ายเลยพอเริ่มฝึกนะพอมีสติก็มีความสุขละ แต่ที่เล่าหลวงพ่อว่านั่งขับรถก็เป็นเรื่องปกติสมัยหลวงพ่อเด็กๆมีคนยืนขับรถคือพวกขับรถรา้านเด็กๆก็ต้องนั่งขับรถสูกแล้วเราก็มีวันหลังนี่ก็เริ่มเห็นก็เห็นมันอยู่ๆก็มาเดินอยู่เนี้ยค่ะมันก็จิตมันก็ชื้นชื้นแบบมีความสุขเล็กๆขึ้นมาหน<อ>ึ่งวิสัยนะค่ะก็<อ>้สึกแล้วก็อยู่ก็จูงมันว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ประคองอย่างเงี้ยอย่างประคองไว้ไม่ต้องไม่ต้องรักษานะ รู้เฉยๆตอนสมขไม่ไดชเยขึ้นมาแถวๆอยู่ได้แค่ค่ะไม่หัดตอนที่เราหัดแล้วเกิดสติใหม่ๆนะั้นจะมีความสุขฝุดขึ้นมาเป็นระยะๆะะแต่ต่อไปมันเกิดบ่อยๆแนละ้วจิตชินๆมันจะไม่รู้สึกสุขมากมนะันจะเป็นอุเบกขามากขึ้นจิต ท, ที่เป็นกุศลนนะัจะมีเวทนาสองชนิดนะคือสมนะเวทนามีความสุขกับอุเบกขาเวทนาเป็นกลางจะไม่มีความทุก ข, ข์ทางใจ แล้วพอดีหนูเจอสภาวะก็คือมีคนแบบมาทําร้ายจิตใจเราเอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็โนูหนูรู้ไหมตรงที่เาราหนูฟังอ่ะเขามาทําร้มม า, รายจิตใจเราอ่ะรูระ้สึกไหมตรงคาว่าเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีเราจริงๆเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้นะต้อจ็พัฒนาเลยวเลยเราจริๆเราก็เห็นวราิตีที่แบบเหมือนกับอยากจะแก้แค้นแต่พอเรารู้ว่าเราอ่ะไม่ทําแน่นอนเราไม่เอาปุ๊บเราก็เห็นมันว่ามันดับลุกเลย ดับแล้วแน่นแน่นบ้างเยดับแล้วลุ่มดับนลุ่มไปเลยถ้าลุ่มแล้ใช้ได้บางคนดับแล้วแน่น แ, แน่นนะแสดงดับด้วยกันบังคับไว้เนั้นชาวพุทธเราไม่ใช่นักเก็บกดนะเีาา้ยรากดลูกเดียวเลย ไ, ได้ทอนาผิดถ้าทอนาถูกให้เก็บกฎเห็นสภาวะเกิดแล้วก็ดับไปในเรา ส, สบายสบาย อนนี้หนะนี่หนูต้องปฏิบัติยังไงต่อไปบ้างท่านตัวเอนนีนะ้จิตก็เปลี่ยนไปเยอะแนะ้วดออกไหมไป <Okay. S 2> เราตื่นขึ้นมาหลงโล่งเบาขึ้นมาฝึกไปนะฝึก <Okay. S 2> แต่ไม่ได้ฝึกเอาตรงนี้นะเราไม่ได้ฝึกว่าเราจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาฝึกประเภทเดี๋ยวก็รู้แล้วก็เดี๋ยวก็หลงอีกเดี๋ยวก็รู้แล้วก็เดี๋ยวก็หลงฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเอาไปปัญญาเราจะเกิดมันจะเห็นเลยจิตที่จะลงเราก็ห้ามไม่ได้ จิตที่จะรู้สึกตัวเราสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาก็ไม่ได้จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับแล้วเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้เรียนเอาดีไม่ต้องกังวลเลยว่าจะดีหรือไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับแารที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราขาดเป็นช่วงช่วงคนซึ่งภาวนาไม่เป็นหลงทั้งชาติเลยหลงแค่แต่เกิดจนตายหลงตลอด เ, ลเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเป็นอันเดียวรวด พเราหักมีสติขึ้นมาแล้วเราจะเห็นในช่วงนี้หลงช่วงนี้รู้สึกช่วงนี้หลงช่วงนี้รู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนคนละคนเลยะดูไปเรื่อยแล้วจะเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างนะช่วคราวหมดหลงก็ช่วคราวรู้ก็ช่วคราวอะไรอก็ช่วงคราวแต่ปัญญามันอยู่ตรงนี้ยาคุณรัศการนีหลวงพ่อคะคือลูกนี้ได้ฟังสิง่งหลวงอมาพอถึวองวยแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นปสัวชะตากรมหลายครั้ง รวมทั้งเป็จัสลาดไอทีห้าห้าหลวงพอคือหลวงพ่อค่ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกจะเป็นคนที่เคียดง่ายแล้วก็เน่เวลาเคียดก็จะบ่นแบบเพ้าบ้านว่าเจ้าคิดเจ้าแคนด้วยใช่ไหมไม่มีความสุขเลยเยางงใส่ทำนี้ก็บอกให้เป็นจับทำลูกก็ไปปฏิบัติหลายครั้งแต่ว่า พอกลับมาก็รู้สึกมั น, นมันก็มีความสุขช่วระยะหนึ่งค่ะคะเช่นกระท่านได้มาเจอธรรมะของหลวงพ่อก็อหัดดูกายดูจิตนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูกายได้ดีนะคะแต่พอมาระยะหนึ่งรูกก็อยากจะดูจิตบ้างก็มาดูจิตนะคะก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันทุกข์น้อยนะคะ ตอนนี้ก็ไม่ไม่เคยปวดนะคะว่านี่มีทํามสุขรือว่ามั น, มน ด, ดีขึ้นดีสิธนะธรรมะของพบเรื่องกล้าเป็นธรรมะเพื่อแก้ทุกข์โดยตรงทุกขีตใจเอานะละแล้วถ้าใครภาวนาถูกต้องนะจะต้องได้ผลเร็วเลไม่ใช่ว่าทําไปเรื่อยๆแล้วชาติหน้าถึไงได้ผลแนั่นําผิดนะทําดี๋ยวนี้ได้ผลอยู่นี้เลยก่อนหน้านี้รูกปฏิบัติลูปแต่งทางหลวงจะลูปหลังเนี่ยไ็้แล้วเลิกทำแล้วเครียด เขเทรียดนะเราไปลานเราไปปฏิบัติมันก็ดีอ่ะพอกลับมาบ้านแล้วมันร้ายกว่าเกา่าเพราะว่าตอนที่เราไปเข้าคอสเข้าวัดแะไรเราเจ็บปวดเลกอยากจะส่งกัรบ้านหลวงพ่อว่าเมื่อครั้งหนึ่งลูกไปที่แบบปฏิทินแล้วหลวงพ่อบอกว่าเออให้บอกให้ลุกคนดูที่พระพุทาดูที่พระพุทธเจ้าทำแล้วลุกคนก็ดูหลวงพ่อบอกว่านั่นส่งติตไปที่พระพุทธเจู้บวชแล้วแล้วก็ให้ยกหัวเม็ดโ ป, ป้งขึ้นมาเราให้ดู ลูกชื่อขณะนั้นที่ลูกยกหัวไม่พ่วงขึ้นมาเนี่ยลูกเรารู้สึกว่าจิตมันหลุดออกจากกายนะคะมันเป็นท่อนไม้ที่ก่อดหน้ น, นี้เนี่ยลูกปฏิบัตินั่งสมสาธิเท่าไหร่เนี่ยลูกก็ไม่เคยรู้เลยว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรานะกายนี้คือท่อนเนะราเนี่ยเมื่อไรจิตมันเตืนเ่นขึ้นมานะจิตมันจ้างมั่นขึ้นมาจะเห็นชัดเจนเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตคนที่ฝึกหลวงข้อแล้วเห็นตัวนี้ตอนนี้นับไม่ถ้วนหละ ต่อไปถ้าเราฝึกไปจนกระทัง่งเราเห็นว่าจิตเหก็ไม่ใช่ตัวเรานะกอเป็น้าดาันที่ฝึกไปพ่บ้านฉลาดมากเลยก็ตบมือให้ดีอันนี้พบ้านแต่ลูกก็มาด้วยกัไขอชมโจเข้าบ้านเนะี่ยโอ้ตบมือให้ียยายลูกึ้นหน่อยอันอ๋ฝึกไปนาฝึก แล้วก็ชีวิตในครอบครัวจะมีความสุขด้วยนะแต่คุณพ่อบ้านนี่แหละยังเก้งอยู่ <_ counter> หมดแล้วเนี่ยอบคุณมากานะคะหลว่อคว่าหนูเนี่ยเพิ่งกลจากเข้าคอร์สมาเลยค่ะพอหลพ่อพูดเนี่ยก็เห็นภาพเห็นภาพที่เึิมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยใช่เลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยไช่หรอไม่ใส่รายก็คือทีเนี้ยหนูก็ใจว่าเวลานั่งสมาธิก็จะรู้สึกฟึมหลงอะไรเงี้ยค่ะแต่นี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูสถานการยืนสมาธิเพราะว่าพอหลวงพ่อพูดพุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเข้าใจเร็วเลยค่ะว่าดูกายดูตะไรเงี้ยดูไปได้เรายืนด้วยความรู้สึกตัวก็ตอนนี้กดแล้วตะกี้รู้สึกได้หรอไหมจิตมันฟลิกว๊บ ก็มาเพ่งปักแค่รู้สึกนะอย่าเพ่งถ้าจิตจะเพ่งก็รู้ทันถ้ามันเพ่งไม่เลิกนะลืมมันไปเลยไปหาอย่างอื่นทำให้นลืมๆืมไปแล้วหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงดีกว่าเพ่งไปเรื่อยๆบางคนตัวหลงได้เลยไปเพ่งไม่ตลอดเวลาไมกล้าถึงนี้แล้วทีน้ควรจะปฏิบัติยังไงต่อคะดูกายไปแรกเห็นกายมันเป็นได้นัางกายมันทะยักหน้านัางกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆอย่าทิ้งธรรมะสบายเลย ถ้าจิงมแต่ว่าสบายก็นรียนเพ่งกาย<อ>ถ้าเป็นการเราใช้ไม่ได้มาแสดงเจ้าค่ะคือหนูอะคะ่ะปฏิบัติจากการในอดีตนะคะสักหลายปีมนาะสองสาปีเนี่ยในรูปแบบเยอะแล้วก็เพิ่งมาปฏิบัติจากของหลวงพ่อนะคะปีเดียนะคก็คือในตอนที่เราคิดใจเราลงไปแล้วตองได้ชั้นใหรู้ทันเมื่ใจเราลง ใจเรามีความอยากพูดผุดขึ้นเราก็รู้ทันมันอยากมันมีแรงดันขึ้นในนั้รู้ลงไปเรื่อยๆรู้ทุกอย่า ง, างที่เขาเป็นใจริ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้ทันอเอาว่าไปก็คือตอนปัจป จ, จุบันนี้ค่ะปฏิบัติโดยการดูจิตเป็นหลักแล้วก็ รื่นใจเมื่อวานหรือเมื่อวันที่รู้สึกแม้ใจอยากลคลําครวนไม่ใช่เล่าเฉยๆนะครับเลยเริ่มอยากคลนะ่ครวนแล้คือจะเรียนปึกษาถามหลวเพราะว่าที่มันแบบอยู่ๆมันวูบไปเบาๆเลยคนะ่ะเคยวูบคือแบบแลนดิ้งแรงๆไป mm. ในอดีตแต่ตอนนี้เนี่ยมัน e <c oughs> นิดเดียวเองนิดเดียก็รู้สึกเอาใช <c oughs> ่ๆนั้นเองจิตเนี่ยมันลงระวังเป็นช่วงช่วงๆลงอยู่ตลอดเวลาเวลามันขึ้นนี้ิี่มารับอารมณ์นะพส่วนมิติงมันลงระวังวูบตรงแก๊ง้วขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นปกติที่เป็นอย่างนั้นะที่ปฏิบัติอยู่นี้บัาคับมากไปแค่สบายแบบ น, นี้นะจะ ด, ด, ดีกันไดูไปได้ดูดูจิตดีดูจิตจะได้เลยใน่กดที่นั่งกับพื้นนะอย่าเคลืยดนั่งนะ <c oughs> ดูสบายนะดูสบายสบายดูสบายอย่ากดมันตัวหลวงพ่อมาก <c oughs> น่ารัก า, าลค่ะหลวงพ่อ ฟังดีของพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบัติวันนี้อะไก็เล่ไปแล้วก็ลกแงแล้วก็เอ่แล้วก็อทมแลก็เอะไร น, นก็ ม, น ม, ออมันปลอมๆเออมันรลอมๆก็จริงจริงมันปล อ, ปลอมๆนะก็ไม่แน่ใจว่าเห็นจริงว่าคิดแค่ไหนเหจริงๆน ะ, ะงนะอย่างเขาดูให้สบายๆดูเร่งเร่งไปเร่ตองต่นเต้นแล้วต้อ ง, องมีรูปแบบของการปฏิบัติบ้าง แบ่งเวลาไว้ตื่นนอนเช้าๆอะไรเงี้ยมันเดินบ้างเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอะไรเป็นอย่างนี้บ่อนๆไม่ได้มีแรงต้งแต่ละวันเราต้องจิดตลอดเวลาต้องยุ่งกับคนโน้นยุ่กับคนนี้นะเสียพลังของคิตก่อนจะมาทํางานแล้วเราส้อมของเราแล้วันนั้นเราจะทํางานอย่างสดชื่นขาพูดอย่างัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ตื่นเด้นค่ะฟังคดีหลวงพ่อมาได้ประมาณสักสองเดือนนะคะ เราก็พยายามจะฝึกดูตามในซีดีก็แต่ว่าเท่าที่สังเกตไปเองก็คือว่าเราจะดูดรู้เฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทันช้ายอย่างเช่นว่าถ้าโทสะเกิดอยากจะเห็นปฏิจจ์ค่ะแต่ว่าดยพอ่อยู่พอได้แล้วแต่ว่าพอเป็นภาวะ ก, ากลางๆเนี่ยเราก็จะดูออกแค่ว่าเอ้มัน ก, ากลางๆ ม, มัน เ, ยเฉยๆแต่ว่ามัน มันก็ยังไปอย่างนี้มาหลายอาทิตย์แล้วมันไม่ดูชัดขึ้นเมื่อเพียงให้โอทันเลยว่าอยากดูให้ชัด <c oughs> ที่ฝึกอยู่เลยใช้ได้แล้วจิตก <c oughs> ็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นว่าต้องรู้ทั้งหมดนะอัดใหม่ๆมันจะรู้แต่อารมณ์ที่อยากอารมณ์ที่อยากเนะี่ยอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยจะเป็นของอยากดูง่ายที่สุดโมโหขึ้นมาแล้วมันดูง่ายอารมณ์สบายๆอารมณ์เลิศเิเพลินเนีเเเ่ดูยากไม่จําเป็นต้องดูได้ เรื่องตนโกรดขึ้นมาก็รู้อะไรรู้ต่อไปมันละเอียดที่นี่ทีนี้มีเรื่องทีเรียนถังหลวงพ่อคือว่าคือปกติตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่โทสระแรง อ, อย่างมาที่บ้านที่เรี้ยกไว้เนี่ยถ้าเขาทําอะไรไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพอใจอแต่เนี้ยตั้งมาฟังสิริหลวงพ่อมาเนี่ยตัวบทว่าเขาว่าไปจัดโซฟาเราก็รู้เออจัดโซฟาแล้วเราก็ไม่โกรธเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราไม่โกรธเนี่ย เพราะว่าจิตรเราเฉื่อยหรือเปล่าไม่เฉยนะเนี่ยแอคทีฟอยู่่เมื่อวานล่าสุดเนี่ยเรากำลังจะกินกาแฟนะก็กลวว่าเขาก็กระโดดกระโดดต้ลม้มแล้วก็กาแฟต้องบกหนังสือก็หล่นเราก็เฉยมากเลยเราไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าจิตเราเฉือยหรือเปล่าก็แล้วก็เราตัอนกั้เบขาอย่างเ <c oughs> ดียว คือเราเราไม่ได้ทำเพราะโกรธนะแต่เราทำเพราะสมควรที่จะต้องอบรมหลายเรื่องแ ต, แต่ก่อนเราเราโมโหเราก็ซัดเอาเลยอย่างนี้อันนั้นทำเพราะโกรสัเป็นบาปงั้นไม่ใช่ว่าเออารอะไรก็อือเบียขามือเบียดขานะบางคนรูกจิดยาก็อืเบียขาไม่ใช่นะทำกินหน้าที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะโกรธเราก็ุกข์ใจ อะไรน้านักการหลวงพ่อครับผมเคยฟังซีดีของท่านมาสองครั้งแต่ว่าพิธนายก่อนผมจะอไปแนวทางปฏิบัติทางอื่นก็คือใต้เท้าลงมานะคะท่นะานตาสะจรวครับก็คือเวลานั่งสมาธิจะนั่งนานมากประมาณสองชั่วโมงอืแต่พอตอนหลังๆก็เยาะประมาณหน่ชั่วโมงอืแล้วก็วันนั้นเจอคุณะจวก็บอกว่าอย่านั่งนานมากไปก็ประมาณแค่ยี่สิบนาทีก็พอ ทนี้ผมก็นั่งประมาณสาสิบนาทีทีนี้ว่าท่านอาจารย์ว่าผมปฏิบัติทานี้ถูกไหมถูกต้องไหมครับเราไปเรื่องอะไรเป็นร่ลงเรื่อยๆใช่คือว่าบางครั้งมันนั่งเริ่มจะปวดปวดตาแล้วนั่าแล้วมันปวดแล้วค่อยๆดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนจะรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่ง แใ่เวลาเรานั่งเนี่ยเรานั่งคอยดูกายดูใจก็ทํางานไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าต้าเลิกนั่งนะไม่ใช่นั่งก็ได้แต่นั่งแล้วก็คอยรู้ทันกายคอรู้ทันใจไม่ใช่นั่งให้จิตนิ่งอย่างเดียวเราจะเกสาโลามาก็าได้เวลาเรานึกถึงเกสาอย่ท่องอย่างเดียวนะท่องอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ส่วนเราเลื่อนถึงเกสาเนี่ยเรารู้สึกจิตของเราเป็นเกาะ อ, อยู่ทีผมเราก็รู้ทัน เราถึงโลมาเนี่ยจิตเรามาเกาะที่ขนหรือมันขนคิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ทันเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปในร่างกายแล้วจิตไปเคลื่อนไปอยู่ส่วนส่วนไหนเราก็คอยรู้ทันเป็นการฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไส่เคลื่อนมาต่อไปเวลาเราไปอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยพอจิตเราเคลื่อนไส่เคลนมาเราจะเห็นบมดเลยไม่ใช่ต้องเริ่มหรอกไม่จะมี็นต้องเริ่มเพิ่มโตเลี<อ>้ยงวยโอกาสที <c oughs> ่ยอมภาวนาแล้วถ้าถือจิตวิบูชจะจะดีกว่าครับ พูดถึงว่ามีมีจังหวะมีมมโอกาสก็ถือครับไม่มีโอกาสก็ไม่ถืออย่างคารวาดเนี่ยถือ 4, 8, สี่แปดตลอดอยู่โลกก็ทอดกไม่ใช่ภาวนาจนลำบากนะต้องดูตัวเองว่าแค่ไหนพอเหมาะสี่ใปดมีประโยชน์ในการฝึกตัวเองเหมือนกันอย่างเราอยู่กับโลกเราถือสีลห้า น, นะอย่างเรื่องสามเนี้ยมันตามใจเองได้เรื่อย แต่พอเรามาหาันไปดูศีนแปดเราจะถือสักเดือนหนึ่งสมมติไม่ยุ่งกับภรรยาแล้วก็อีกอื่นด้วยแล้วชายอื่นด้วยต้องมีหลายเงื่อนไขแล้วประกอบไม่ยุ่งกับเมียไม่ยุ่งกับคนอืนผู้ชายก็ได้พอเราประพฤติตรงมจรรัรยังไม่ยุ่งกับเร่อกรมเนี่ยเราจะเห็นโทษขงกรรมชัดเลยเวลาราค้าเกิดขึ้นจิตใจมีทุหลนทุรายดูง่ยดูได้ชัดเพราะงั้นอย่างพระนะภาวนาพระถือศีลประพฤติตรงมาจันทร์อะรอย่างนี้ กิเลสแล็กกิเลสน้อยนี่จะดูว่าเพราะมันรุนแรงอย่ารุนแรงอย่าประคองไว้ยังสะคองอย่างอย่าประคองจิตไว้ใไมันให้มันเป็นธรรมชาติรู้สึกไหมขนาด น, นี้ไม่เป็นธรรมชาติแข็งเกินไปนเห็ใจเราไปกดไว้นะ ยก็อ่าไม่แน่ใจว่าการที่บอกว่าารรู้เรื่องการดูจิตเนี่ยค่ะมันก็ว่าความจริปฏิบัติแล้วคือมันใช่ที่หลวงพ่อรู้จังมันก็ดีขึ้นนะแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เต์เราคอยรู้ทันเรื่องความริงกลาหลักของการปฏิบัติที่ง่ายๆนะพวกเราใครมีบิดาก็จดไว้ก็ได้เห็นชับจดคนฉันปฏิบัติเนี่ยนะคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง มีสติไม่ได้กําหนดนะสติเป็นตัวรู้ตัรู้ซึ่งอะไรรู้อะไรต้องรู้การรู้ใจถ้ารู้อย่างอื่นใช้ไม่ได้บางคนไปนรู้ความว่างอะไรอยี้ใช้ไม่ได้ต้องรู้การรู้ใจรู้ทางความเป็นจริงของจริงมีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่หนักคนก็รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ความจริงคืออะไรความจริงคือเรียละสรู้เห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงไปทุกเป็นอ น, นัสตาไม่ใช่เราอันนีคือเรียกว่ามกษนา เราพังดูกายดูใจอย่างเดียวยังไม่เห็นมิปัจฉนาย่างเราดูท้องฟองยุบเนี่ยจิตก็อนนิ่งอยู่ที่ท้องไม่ใช่วิปัจฉนาเป็นสมถะงั้นเราต้องเห็นใจ ล, ลักถ้าเห็นใจรักนี่ยั ง, ยงเป็นมิปัจฉนางั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่เห็นใจรักของกายของใจนี่จะเห็นใจรักของกายของใจได้ต้อมีเงื่อนไขจ้อรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลัง ดังถ้าพูดให้เต็มยศนะ่ยก็ต้องบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแนละเป็นกลางจิตตั้งมั่นเี็จิตเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนที่จะโจรลงไปจิตที่กระโดดลงไปใส่ตัวรมไปเพ่งตัวมรมเป็นสมถะกรรมฐานถ้าจิตมันเป็นแค่คนดูสบายบายเห็นกายหนึ่งเส้นไหวเห็นใจหนึ่เส้นไหวปัญญามันเกิดจะเห็นทั้งกายทั้งใจแนละ้วมันไม่ใช่ตัวเราเัง น, นจิตที่ตั้งมั่นมนะันสําคัญ ตั้งมั่นแล้วเกิดไปกระทบอารมณ์แล้วยินดีขึ้นมายิไร้ายขึ้นมาเรื่ไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางพอรู้ทันแล้วมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางของมันเองในที่สุดเราจะมีสติโดยที่ไม่ได้เจตนาให้มีสติเกิดขึ้นพระจิรจำสภาวะด้วยแม่นไม่ได้กําหนดให้เกิดเรื่องนี้เป็นสติตัวแทนมีสติรู้กายรู้ใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สติรู้เอง รู้ตามความเป็นจริงคือเห็นใจเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันทํางานของมันตลอดมันไม่ใช่เราหรอกนี่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงจิตที่เป็นคนจะรู้เขาเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้ไม่จะโชนลงไปรู้แล้วก็เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ผู้งหลานถ้าฝึกด้วยสภาวะที่หลวงพ่อว่ามีคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในเวลาไม่นานนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราต้องได้ธรรมาบ้างแล้ ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งขาดสติใช้ไม่ได้แนะ้หรือเป็นกําหนดเรื่อยๆไม่ใช่สติกําหนดไม่ได้แต่วะสติกําหนดแล้วกดเอาให้ค่มเอาไว้สติถ้าเราลึกได้รู้ทันรู้ทันสภาวะที่กำลังมีถ้ารู้แล้วไม่ได้รู้กายรู้ใจก็ใช้ไม่ได้ถ้ารู้กายรู้ใจแล้วจิตไม่ต JA ั Mot ้งมั่นจิตไม่เป็นกลางก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ ในชีวิตแท้ๆนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเปจริงแต่จะรู้ตามความเปจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้เป็นตัวสําคัญพวกเราที่เรียนแล้วเราขาดจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในเวลาที่เรารู้กายรู้ใจนจิตจะถล่มลงไปรู้ตลอดเลยไปพลาดแค่ตรงนี้แหละที่ทํากันแลมเดนแลมปีไม่ได้ผลเปลี่ยนชื่อเป็นคุณนายแดมปีไม่ได้ผล หนูดีขึ้นมาเดี๋ยวก็แยกกลับไปอย่างเดิมแรู้สึกไหมจิตขณะนี้ปโปร่งกว่าเมื่อกี้ริ่มไม่ปโปร่งอีกแล้วรู้สึกไหมแค่ดูอย่างนี้แหละตอนที่ทำไม่คือใจมันต่ำจังแบบที่ต่ำมันตันเองพอใช้ได้ลนะใจ<ป>มันเริ่มโปร่งขึ้นมาบ้างแล้วรู้สึกไหมถ้ <Okay. S 2> าตอนานาแล้วหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆึมทื่อทื่อผิดแน่นอนตอนนี้ใจมันก็เริ่มคลายตัวโปร่งออกมา ธรมศส ก, การข้าอาจารย์นะคะของโยมเนี่ยอ่าปฏิบัติมาระยะยืยงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพักหลังเนี่ยเผลอบ่อยแล้วบางวันก็เผลอบ่อยบางวันก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเผลอคือไม่ไม่มีสติที่จะรู้ว่าเผลอด้วยอันนั้เผลอนาน <c oughs> แล้วก็มีเมื่อสองสาวันหลังเนี่าที่ผ่านมาแล้วกมีเรื่องให้ให้ให้มีโทรศัพท์เกิดเกิดขึ้น แล้วก็เห็นว่าตัวเองฟาดหัวฟาดหางด้วยด้วยวาจาเนี่ยมันไม่เห็นตันหมดลงไปเร็วเลยนะครับไม่เคยฝึกแค่ส่วนหรอกดูเยบ้านี่เกิเต้นไหมต่อไปเราจะเห็นไล้ตัวที่เต้นอยู่ไม่ใช่เราหรอกหรือยังไม่ได้คือคือเหมือนกับเรารู้แต่ว่าเราเราให้มันหยุดเไม่ได้ให้ให้ดูใจเอินะเรายังไม่เป็นกลางเรายังอยากให้มันหาย กิดเราไม่เป็นกลางนะไม่มีปัญญาแท้ใช่ค่ะแล้วก็วก็สักพักใหญ่เข้าถึงจะจะจ ะ, จะดังแต่ที่คนฝืน อ, อยู่ใช่ได้นะสติของคนมันก็เริ่มเกิดรู้สึกไม่ใจเราปลงร่องเบาขึ้น ม, มากเน ะ, นะมันรู้เนร่รู้ตัวขึ้นมามเคยโมโหเฉุนเฉียวเคยครุกอารมณ์มันก็เริ่มถอยออกมาดีที่ฝืนอยู่ใช่ได้นะ เดี๋ยวหลวงพ่ออยู่ได้ถึงสองโมงครึ่งนกะ็หลวงพ่อยิ่งเป็นักเราลูกตุ้งองีก <c oughs> <c oughs> นี่รายการนี้มดนเต็มเต็นาตลอดปีห้าสามเลยนะตอนทีขึ้นห้าสี่แล้วนะพ่าอาจาหลวงพ่อค่ะเคยเปสงการตั้งที่สารานินทีไหมคะเลือดกี่คนที่เตียยบสามวันใต้การปฏิบัติแล้วหลวงพ่อพักว่า มันปิดเฉยดีมันเคลื่อนมาที่สาราลุงชินแล้วดูออกหมมันไม่เฉยเ่าโดน่ะค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วทีนี้ระยะหลังๆที่มันเห็นโทรศัพทบ่อยนั่นแหละดีแล้วแต่ตอนนั้นเราเจ็บกดมั้ยมันเหมือนกระดีกตัวหนึงกระโดดออกมาดูเออนั่นหละดีข้างๆแล้วจําแอบแอบคาดวังไม่ได้ว่ามันมาบอกจังไม่มันไม่เป็นกลางแต่มันมีใจเป็นคนดูแต่ใจตัวนี้มันเบี้ยไม่เป็นกลาง ยังไม่ชอบกิเลสยังชอบกุศลยังไม่ชอบทุกยังชอบสุขอยู่ให้เรารู้ทันแไปนี่แหละตอนนีได้ดีนะแต่มนันต้องถอนตัวพอเป็นคนดูทีนี้ออบางครั้งอยากกินแต่นั่งสมาที่บ้างนะคะเพราะเคยนั่งสมาธิมาเยอะแล้วแล้วก็อ้่างนั่งนะเดี๋ยวซึมพยายามหางานบ้านทําว่านบ้านถูบ้านเ ท, ท, <c oughs> ที่บ้านไม่มีจะให้ทำมากกว่าที่สํา น, นักงานเคลื่อ <c oughs> <c oughs> นไหวเลยดูกระดี่แล้วรู้สึกเห็นร่างกายทํางานไปเรื่อย ดีกว่านั่งนิ่งๆน่นอจะซึมของเก่ามันซึมอยู่ทีนี้จะถามต่อย่อแต่พี่นี่มันต้ถามที่หนึ่งนะค่ะว่าที่ก็บอกว่าเวลาคนทนานําร้ายเราเนี่ยแล้วหลวงพ่อพระก็ยูจะมีเราที้เราทําไงที่จะอย่าทักอาภัยให้คนที่ทําร้ายเราอย่างูกวิธีเลยค่ะบหลวพ่อให้รู้ทันใจที่มีความโกรธขึ้นมาใจที่อาฆาตขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าตอมันโกรธขึ้นมามนอาฆาตขึ้นมามันทุกข์นะเรารักตัวเองที่สุดเออพอเห็นมันทุกข์เราก็ไม่อยากเอาแล้ว เรามีสติมากเข้าวมากข้าวต่อไปมันจะเปลี่ยนแทนที่จะกลัวนะมันสงสารนะสงสารโอ้โหวันนี้มันแม่เไหนเลยมันถูกกิเลสครอบงำหน้าสงสารแ้วต<ม>่อความสงสารมันเกนินไม่กลัวแล้วแล้วถ้าเกิดเราสงสารเขาเราควรจะคลุคลีกับเขาเหมือนอย่างที่เราคลุกคลีกัเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่จำเป็นเราก็ต้องเลือกครบคนัวนะคบคนชนิดไหนควรคบคนชนิดไหนไม่ควรคบไม่ใช่ครบกับทุกคนเสมอกัไปบางคนใช้ธรรมะผิด อย่างบอกว่าต้างเป็นกลางอะทุกคนหรือครอบคนชั่วด้วยอะไรเนะี่ยเขาก็ได้เจ้าห้ามนะเราอย่าครอบคนพาลให้ครบบัณฑิตเนนะต้องเลือกนะเั้นถ้าเลือกได้เราก็เลือกคนไหนกิเลสคุณแรงเราเข้าใกล้แล้วกิเลสของเราจเจริญขึ้นเราก็ไม่เอาคนไหนเราเข้าใกล้แล้วกูสนของเราจเจริญขึ้นเราก็เอาแต่บางคนเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกไม่ได้แล้วเข้าสดูใจเราไว้อย่าไปคิดจะเกี่ยนเขาต้องเปลี่ยนตัวเอง ตัวเองบบเปลี่ยนยากเลยแบบเปลี่ยนเขาไม่ยากอย่างนงั้นถ้าเกิดว่าพยายามจะถอยห่างจากคนที่ทาให้เรามีโทษะได้ให้ดูกิเลสของเราไปๆครับห่างได้ก็ห่างหางไม่ได้ก็ดูของเราไปคือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่เจอเขาทําให้เราได้ดูกิเลสทั้วันเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะทางหลวงพ่อคือของผมก็เวลาหลงไปก็จะรู้ันเรื่อยๆครับอื ก็อยากจะถามว่ายังรู้ถูกหรือเปล่าไม่ไม่แต่ว่าเราเป็นงงใจไม่เคยรู้ทันเวลาใจแอบคิดนะของคุณเนี่ยใจมันชอบแอบคิดมากงใจมันหลคิดคิดเรารู้ใจหนีคิคิดเรารู้อย่าไปหาความรู้ในทางธรรมะด้วยกันคิดเอาธรรมะเนี่ยไม่ไม่สามารถรู้ด้วยกันคิดได้ธรรมะรู้ความจริงได้ด้วยกันเข้าไปดูของจรอย่างใจเราลอยไปเราก็รู้แต่เราโลภขึ้นมาก็รู้ใจเราโกรธก็รู้อย่างตอนนี้ใจอิจิตอีกิตทราบไหม ถ้าดูไม่ออกนะดูร่างกายไปถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไปได้ๆดูกาก็ได้ดูจิตก็ได้จิตไปคิดแล้วนะทราบไหมตรงเนี้ยยังไม่ทราบนะเพราะเราไปเเข่งมันเเข่งจนใจมันนิ่งๆกว่าความเปนจริงรู้สึกไหมตรงเนี้ยตืเนเต้นั่นแหละตื่นเต้นแล้วกดไปไหมกดไหมคราวนี้ไม่สามารถจะดูกาดูใจตามความเป็นจริงแล้วมันนิ่งไปหมดเมื่อเวลาเรากําหนดนะกาหนดไป เ, เรื่อยกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีใจรักให้ดู ครับแล้วก็แบบว่าเราจะรู้ก็ไม่รู้แล้วมันจะหลงก็ไม่ใช่ครับกําลังงงรู้ว่ากําลังงงเลยรู้ว่าเราปัจจุบันเนี่ยมันมีให้ดูตลอดทช่เรางงขึ้นมาเราก็รู้ว่างงแต่เราเป็นยังไงก็รู้ไม่ใช่ต้องรู้ตลอดนะไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดนะบางทีภาวนาไปเราดูดูแล้วบลเบลดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากําลังเบลเบล อ, อยู่แค่นี้ก็รู้แล้ว อยากให้หลอนพ่อแ น, นะนรับายามไะดูกระดิ่งแค่มากๆนะเ <c oughs> ส้นไหลย บ, ยบ่อยๆ <c oughs> ดูกายที่เส้นไหวแต่ใจเป็นคนดูบ่อยๆคอับขาขอนอประทานั้นลวงพ่อเวา ดูฟังซีดีหลวงพ่อใหม่ๆรู้สึกด<ห>ีมากค่ะเวลาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยพยายามไปจบหลวงพ่อรู้สึก <laughs> <laughs> ไม่เครียดบอกหลวงพ่อว่าฟังซีดีหลวง่อใหม่รู้สึกว่าตัวเองแ่ะร้ายมากด้่ยแหละส่วนดีค่ะแล้วก็แต่ที่เรารู้ทันแล้วแหละดีแล้วค่ะแต่เออแล้วแต่ก้อยก็รู้สึกว่าวเองดีขึ้นลูกถ่าที่รู้อนุ หนูรู้ถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อง่ายๆเลยอยากรู้ว่าเราดีขึ้นทรกอเล่าและดูผิดแปลกจากคนรอบตัวเราง่ายที่สุดเลหลวงค่อคะเราหนูเวลาหนูทำงานบ้านหนูก็จะจะพยายามดูดูการเคลื่อนไหวด้วย <c oughs> แล้วมีวันนึงหนูรีบไบหันก็พยายามทำแต่ในค่ะที่อาจจะด้วยความเคชิบที่ดูแล้วมันแรกหนึ่งหนูเห็น หนู ก, ก้าอยู่แล้วหนูหนูเห็นมันจนหนูเห็นหนูหูหนูเห็นถูกหรือเปล่าถู ก, ถกสินะเราเห็นรูปแล้ว<ไ>มันไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนื้อไรเห็นนตอนนั้นล้วเห็นกายไม่ใช่เรานี่เยอะแยะเลยกันหลวงพ่อแนะนาอะไรทําทำดนะอย่าขี้เกียจจุดุ หลวงพ่อคะเออแล้วเวลาระหั่ที่ฟังซีดีก็จะฟังในรถทอาไว้แล้วก็อเอ่อจะให้ลูกฟังด้วยอะค่ะหลวงพ่ออยากไปฟังครับเด็กน<ะ>ั่ะเปิดแล้วให้เด็กได้ยินก็่อละ <c oughs> หลายบ้านเล ย, เยีขึ้นรถได้ก็เปิดนะอยากให้ลูกฟังพอเปิดไปเปิดไปแนละ้วลูกมันภานาเก่งพ่อไม่เก่งหรอกพ่อมาจะห่วงเมื่อไหรลูกมันจะภาวนานเก่งพอพ่อใจ่อยลูกของพ่อหลงแล้ว เขาก็มีถามมาค่ะว่าเอ๊ะคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องดูกายหรือว่าดูโดยจิตหลวงพ่อขัดเข้ามาด้วยไหแต่สองคนดูขัดหลวงพ่อยกมือขัดหลวงพ่อใน่อยค่ดูจิตก็ได้ดูไปเลยเด็กตอนนั่ง่ายนะเด็กพอนนั่ง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ชอบสร้างอะไรพลูกพลังขึ้นมาการปฏิบัติคือการดูกายตามความเป็นจริงดูจิตใจตามความเป็นจริงเด็กยังไม่ได้ถึงปรุงมากเพราะฉั้นดูง่าย ผู้ใหญ่แล้ลูกแต่งเยอะดูยากต่อคือการหลงต้อนหมดเวลาพอดีใครน่ากาดเวลาไวเก่งจริงแล้วการนี้นะครับผมขอติดเชิญนะครับคุณพัชราของลุงวิทย์นะครับท่านประธานเจดมังคล์นะครับแล้วก็ผู้บริหารเจดมังกลงนะครับในรอบการถวายนะครับตั้งแต่ทีวอนะครับจตุปัจจัยนะครับแล้วก็นะครับเรื่องสถานทานนี้ทำให้กับคุณพ่อด้วยนะครับพ่อหน่อย เดี๋ยวครับเราจะกัาบพระสวัยพร้อมกันนะครับว่า น, นโมทัจบองคนเกันครับนรมโอทัศบขวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัศบขวะโต อันนี้ไม่ยังทันเตะ จวรานิจจวรานิจต uh ุปัจจะยานิจตุปัจญายานิสัปปริวารานิสัปปาริวารานิพิข่สังคสะิขู่สังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนันเตขูสังโคขสังโคมาณิีมาณิจีวราิจจวรานิจตุปัจจะยานิจตุปัจจะยานิสัปปิวารานิสริวารานิ ปฏิคัน<า> <ins> หาตูเอามหากลางอีคตะตังทีตายะสุขายะข้าแต่หลวงพ่อปามโมทูเจริญ้าหลวงพ่อปาโมทเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายใจจีวรจะถูปัจจัยได้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่หลวงพ่อปะโมทแต่หลวงพ่อมูขอหลวงพ่อหลวงพ่อโกรรักโรรีวรจ้วรถูกปัจจัยถูกปัจจัยได้ปฏวัติทั้งหลายเหล่านี้ได้ปฏวทั้งหลายเหล่านี้ของค่าพเจ้าทั้งหลายอเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข่าเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บรรชนของข้าพเจ้าทั้งหลายแ่บรราชนของพเจ้าทั้งหลายอันมีปิดามาดาเป็นต้นอันมีดมาดาเป็นต้นลอดการละนานเธอ ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสัพพะรังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุ ป, ปกะ ป, กปติปิชิตังกติตังตุมังคิปเมวาสนิจสตุสัพเเยปุเ ร, น, น, ร, าา น, ราานตุสังกะปาจันโทปันดราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพารโคโภวินาสตู มาเตพาวัตวันตรายโยสุจีทีคาโยโกภาวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปัจัยโนจตารธรรมาวัันีอายุวันโน ส, สุขขังธ์ภลังหลวกพ่อลาสุหลับขนไหนเท่านานะ ฟังดีแล้วก็ขอนาเพื่อตัวเราเองเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ได้นลเรื่องอะไรเราจะต้องทุกตลอดไปต้องดีขึ้นให้ได้